มาจากที่ไหนกันจากจำเทียนคะรับจำเทียนนี่เองนะมากันกี่คนเคเ ท, ทำอะไรอยู่ที่จำเทียนนะพี่เขาทำเตียง ทำเตียงเตียงไม้อ๋อเตียงเตียงพ่อใบอ่าอย่างนี้เช่าครั้งละกี่ตังค์นเตียงเตียงละกี่ตังค์ะมันแล้วแีเตียงใหญ่เตียงเล็กเตียงเล็กเใหญ่อ่าเตียงเล็กเท่าไหร่ล่ะเตียงเตียงเล็กบาทชั่วเป็นเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงหรืว่าครั้งทั้งวันเลย สี่สิบก็ร้อยเลยมีร่มให้เขาด้วยเลยมีไหแล้วทางเมืองเขาอนุญาตให้ตั้งอยู่บนชายหาดได้เลยไม่ต้องเสียค่าอนุญาตหรอพี่เป็นภาษีให้เมืองก็ทำมานานตั้งแต่เก็บ30ปี30ปีก็ทำมาต่อเนื่อง อยู่ตรงช่วงไหนช่วงใกล้วัดอ่วัดหรือเปล่าตอนนั้นมีวัดอยู่วัดอยู่วัดอะไรอะไรใกล อ, อยู่ตรงหลงงตาใกล้ป้อมตำรวจอืมใกล้ๆหลงตา น, นั่นแหละเข้าไปในหลงตานเลยนะเอ่าปตยาปากอืมตองนั้นเป็นถนนไม่มีใช่ไหมรถเข้าก็เป็นทางเดินใช่ไปเวลาเข้าป เ, ป เ, ป เ, ปเป็นเวลาปิดสิบโมงเชา้าปิดอ่าก็เดินเดินได้อย่างเดียว เดินอย่างเดี<ข>เยวห้ามห้ามงม ง, มงรถเข้าได้ห้าโมงเย็นครับเอเย็นตอนคืนเดินดนะวิ่งได้แต่กลางวันไม่ให้วิ่งไได้เไปโด น, นอ๋อเราก็คนพัทยาเก่าอยู่พัทยามาตั้งแต่ยังไม่มีไฟฟ้าสมัยที่มาอยู่พัทยาใหม่ใหม่ เดินแถวพัทยาเหนือองทางจะไปนาเกือรงทางโค้งจะไปนาเกือสุดสุดทางพัทยาเหนือสมัยนั้นถนนก็ยังลูกเหล่าอไฟฟ้าไม่มีต้องปั่นไฟน้ำประปาไม่มีต้องต้องขุดบ่อ ทั้งนั้นจะมีคนมาเที่ยวเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เนี่คนมารถบัสแล้วก็มีคนที่เขามีสตังมาซื้อที่หมู่บ้านพักตากอากาศส่วนใหญ่เขาก็จะมาช่วงโรงเรียนปิดเทอมช่วงเด็กปิดเทอมแล้วมันก็มาเสาร์อาทิตย์คนน้อยมากเรียกวันเสาร์อาทิตย์มีรถ ต้องเที่ยมวมาแล้วสองสามครั้งนี้ก็รู้สึกว่าทำไมนั่นก็ใช้ อ, อาทีพก็คือเก็บค่าห้องน้ำอาบน้ำแล้วก็ขายขายอาหารแล้วก็มีเตียงผ้าใบให้เช่าเหมืกันาใบให้เช่า มันนะ้ำสะอาดยังมีปลาโลมาตอนเช้าบางตีก็มีปลาโลมามาว้ายน้ำใสพอคนรู้จักมากขึ้นคนก็มาเที่ยวกันมากขึ้นอะไร กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไว้อยากจะมาทำอะไรอหังทำเอะหั่รก่เงเลย มาข้างแร้กัน<ม>ทั้งทั้งหมดคนเลยทั้งหมดเลยะมีคนช่วยกันมาก่อนนะอันนี้เป็นมันหยุดปิดมันปิดเลยมีอกาสได้ไหม่วง น, นี้เงียบเหงาไหมปัฏยาเ ร, เริ่มคึอค้างก็แแต่ถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อปีที่แล้วปีนี้จะเงียบกว่าใช่ไหมครับ อ, อ่า อใชอเดือนหนึ่งเดือนเดือนที่ผ่านมาต้องไม่มีวันเธอไม่มีมอรสบอะไรเงียบหน่อยเดี๋ยวเราคงจะเดี๋ยวคงจะคึกคนะักแล้วนะแล้วคนที่มาใช้บริการนี่ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศแลอเป็นชาวไทยสห เป็นต่างจาติครับเพราะว่าสซนข้างในเป็นโซนที่สงบอ๋อต่างชาติก็ชอบนะถ้าฝั่งทั้งเขตทั้งทั้งวัดนะแต่งรออกมาจะเป็นคนไทยอ่เพรารถรถมันวิ่งได้ฮะเพราะว่าคนไทยจะเสือกในการจับจ่ายซื้อกินเอะไรแต่ข้างในจะเป็นเขตที่เงียบก่อนชอบชอบไปนอนไม่มีร้านค้าไม่มีอะไรเออไม่เป็นการไปรบกวนขายของโอเคไหมมีมีเหมือนกันนะแต่ส่วนน้อย มีคนไปบริการนวดให้มีไหมมีมีอยู่ฮะสานนวดขายผ้าขายเสื้อผ้าเป็นคนที่ไหนบ้านเดิมอยู่ที่ไหนบ้านเดิมผมอยู่อบนอวนอยู่สุรินทร์อ๋อหนองอยู่ศรีเกล แล้วมาทําหากินที่สามสิบปีแล้ว <c oughs> แหละสิบกว่าปีแล้วอ่าแทนคนเขาบอกสามสิบปีผมมาอยู่พี่พี่เป็นคนทุบบนทุบบนแล้วมีแพนนี้อยู่ปัตยาร์ก็เจ้รมเตียงทงเตียงสบทอดทอดจากกงอ่ ที่ก็ใครจับจองไว้ก็เป็นที่เราจะไปคทางเมืองเขาก็เพีงแต่เก็บภาษีะแต่ก็มีทุกวันนี้มีมีกฎออกมือระเบียบเรียบเร่งกว่าเดอิมดูแลความสะอาดใช่มีงานมีข้อตกลงรบกันเยอืมหลังจากระเบียบเมื่อก่อนจะฟรีสไตล์ทุกวันนี้จะ น, น, น่ามีเทศเกต เ, เข้ามาคอยเดินคุมเหรอยม่นะอันทางนี้มาพักที่ว้านวด้เพราะเรานำนโดยพวกอำนวยการ ของศูนย์ฝึกเกษตรวัดยานะคะอ่าได้มาปฏิบัติธรรมสามวันเพื่อถวายเป็นพระราชากรสุนนะอ่าแล้วก็มาฟังธรรมเพื่อเป็นสิริมงคลตอนนี้พักอยู่ที่วัดนะแล้วคุณจีนมันก็เตะกันนะพักที่ศูนย์ก็ได้นะเหมือนกับที่วัดก็ติะกันนี่พอคนใหม่แล้วอ๋ออ๋อไปรับกัน อ๋อปาไม่ได้มามาค่ะเดี๋ยวสักครู่มาค่ะพอดีวันนี้เวียดนามมาเยี่ยมที่ศูนย์อ่อไอต้องออกไปปอก็มาปฏิบัติธรรมด้วยป่ะอ๋อเรื่องที่ศูนย์เป้าหมายของศูนย์ตอนนี้มีมีเป้าหมายอะไรบ้างก็คงตามชื่อค่ะตัวชื่อเป็นศูนย์ฝึก พัฒนาเกษตรกรรมก็คงก็คงมุ่งทผัเกษตรธรรมชาติมีโครงการอะไรบ้างที่เป็นรูปธรรมอะไรที่ทำอะไรทำอะไรมีเพราะเหตุอุดอบรมการเพราะเหตุให้กับประชาชนเหตุอะไรเหตุเนเหตุเล่นเจ้าอ่า อ่าผักสารปลอดเพชรไปัดสอนปลอดสารเพชรยังมีอยู่ประจาเลยค่ะแล้วเรามีหน้าที่สอนชาวบ้านนี้ละโดอบรมเขาจะมาอบรมกันเป็นเป็นนุ่นต้องมาพักด้วยหรือเปล่าหรือไม่ได้มาพักมาเช้าเย็นกับนี้เลยอาจะมีอบรมสามวันเลยที่ที่บางคนก็มาพักนะคะแล้วก็จะมีบางคนที่พักนะคะถ้า คนไกลก็ต้องัคนใกล้ก็เดินทางกลับบ้านได้ค่ะแล้วมีที่พักรองรับนะมีค่ะแล้วพวกที่มานี่เขาเป็นเอกชนหรือว่าเป็นเป็นหน่วยงานเป็นชาชนทั่วไปชาวบ้านที่อยู่รอบๆบริเวณวันนี้มีไหมเรามีกลุ่มเกษตรกรรอบัานอเาพราะบาทีที่ได้ยินว่าบ้าหมาย ของม่หลวงต้องการที่จะให้ชาวบ้า น, นได้รู้จากวิธีพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเพราะเมื่อก่อนนี้มีแต่ปลูกมันสำปหลังอย่างเดียวรายได้มันก็ไม่ดีต่เลยอยากจะให้ชาวบ้านปลูกเห็นตอนเริ่มแรกเเห็นปลูกพวกดอกดอกไม้เนี่ยตอนมาก็เป็นพวกผักต่างๆ ตาดูกาลมีมะเล็พันธุ์ด้วยค่ะที่เราคิดขึ้นเองแล้วก็ได้รับพระราชทานชื่อค่ะอ่มะเล็พันธุ์ผักเหรอใช่ไเป็นกระเจี๊ยบเขียวค่ะเยกระเจี๊ยบะาวกระเจี๊ยบันต่างกันจากกระเจี๊ยบแดงยังไงกระเจี๊ยบเขียวเป็นผัที่เราทานทานกุิดคน้้งอ๋อน้ญี่ปุ่นเขาบอกมีรสชาติอร่อยมากเราพัฒนาสายพันธุ์มาเป็น ยะเวลา16ปีแล้วก็ส่งน่างเลยนี้ก็ส่งน่างเลญี่ปุ่นชอบค่ะเผยแพร่ให้กับประชาชนนะคะแจกเมล็ดพันธุ์ตีไปครอบปูดนะคะในหลวงพระราชทานชื่ออปีท่แล้วเป็นกระเจีบเขียวธารทิค่ะอ่าแล้วปลูกแล้วมันจะออกเป็นดอกะดอกกระเจีบแล้วเป็นเป็นฝักค่ะเป็นฝักเป็นดอกค่ะเป็นเหมือนพิกหยวกค่ะอ่าพริกหยวกเลย S <S แต่ต้นพันธุ์ของเราจะแข็งแรงแล้วก็กลิ่นก้านยื่นออกมาอสนี้แล้วก็ไปจิ้มน้ำพริกกินกันหค่อแต่ไม่เผ็ดใช่ไหมไม่ไม่ไม่เผ็ดค่ะจะปุงอาหารได้หลายอย่างคะ่ะไม่ว่าจะทางดิบหรือว่าต้มแคงหรือผัดกะเพราก็เจี๊ยบตอนนี้ที่ศูนย์มีเจ้าหน้าที่เ่คนนะทหมยี่สบเ้ี่บก้าคน แต่มาอยู่วัดเนี่ยเพิ่งมีโอกาสได้คุยกับเจ้าหน้าที่ทางศูนย์วันนี้ไม่เคยมีโอกาสได้เจอกันเลยเจอกันแบบมาใส่บาตแล้วก็ไม่มีโอกาสได้คุยวันนี้มีโอกาสก็เลยขอสัมภาษณ์หน่อยเพื่อทางบ้านเขาก็จะได้ทราบกิจกรรมของทางศูนย์ด้วยเป็นการเผยแพร่ไปในตัว ตอนนี้ก็ถ่ายทอดสดทาง Facebook กบ YouTube อยู่คนต่างประเทศคนต่างจังหวัดก็ติดตามกันตอนนี้เข้ามากันเกืคนละยี่เจ็ดค่ะอ่าสองยิบดูายดูสดแต่ที่ดูที่ดูที่เป็นคลิปนี่ก็แปดเก้าพันคนแต่ในแต่ละวันนะที่ก็มีสถิติจดไว้ 6 0 0ันบ้างเจ็ดพันบ้างแปดพันบ้างแต่ผู้ที่เข้าถึงนี่ก็เป็นแสนนะวันละสองสามแสนเข้าถึงนี่หมายถึงว่าเข้าไปในเครื่องเขาอยู่สองสามวินาทีแต่ไม่ได้ดูพวกที่ดูนี่ประมาณแปดเก้าพันต่อวัน ทิ่อยากจะเรียนอีกอย่างก็คือศูอนย์ฝึกเรามีความความภูมิใจค่ะเกี่ยวกับสมเด็จระเจ้าอยู่หัวค่ะ เ, เคยเสด็จมาที่ศูนย์ฝึกได้สามครั้งะคะะอันนี้ก็จะมีนิทศกาหนึ่งตัวนี้ค่ะอยู่ที่มูนย์ฝึกมีความสนุกสนานในเรื่องเกษตรกรรมออออของการพระราชดำรินี้ก็เป็นโครงการที่ เ, เกิดจากสมเด็จพระสังฆ ร, ราชมาสร้างวัดอย่าง แล้วในหลวงท่านทราบท่านก็มาเสด็จมาประพาสมาติดตามชมก็เลยเห็นว่าเป็นที่ที่เหมาะต่อการกระทำกิจกรรมต่างๆเช่นป่าไม้ปลูกป่าทำชลประทานอ่างเก็บน้ำแล้วก็ทำเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาที่ดินทำเกี่ยวกับเรื่องการเกรรษตรปศุสัตว์ด้วย แล้วก็โรงพยาบาลอีกอยากจะให้มีโรงพยาบาลชุมชนไว้ให้กับแถวบ้านจะได้ไม่ต้องเดินทางไปไกลเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะได้มีโรงพยาบาลใกล้แล้วก็พระในที่มาอยู่วัดก็จะได้สะดวกเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปที่โรงพยาบาลเป็นคล้ายๆกับโครงการควบวงจรนะโครงการของในหลวงท่านก็ เองไปที่เรื่องปัจจัยสี่เป็นหลักเรื่องอาหารเรื่องการทํอาหากินรักษาโาครคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆเหล่านี้ที่ถ้าว่าให้ทำโครงการนี้ก็ส่วนหนึ่งก็อยากจะรักษาบริเวณวัดให้มันอยู่ห่างไกลจากชุมชน เพราะว่าปกติวัดเนี่ยพอมาสร้างใหม่ๆก็ห่างไกลแต่ต่อมาชุมชนก็จะขยับเข้ามาจนติดวัดต่อไปท่านก็เลยให้ซื้อที่เดินครอบวัดไว้สองพันไร่เนี่ยโครงการวัดระดมฤที่อยู่ที่วัดยานเนี่ยเป็นเหมือนไข่ขาววัดนี้เป็นเหมือนไข่แดงแล้วก็มีที่ของโครงการนี่ครอบไว้ก็ให้ปลูกต้นไม้ปลูกป่า ทำเกษตรกรรมทาอะไรต่างๆยังไม่มีไม่มีชุมชนก็ามาติดอยู่กับวัดวัดก็เลยเป็นที่สงบเป็นที่เหมาะต่อการศึกษาปฏิบัติธรรมก็เหมาะต่อการเผยแผ่พระ ศ, ศาสนาคนก็มาเที่ยวดูวัดกันก็ เป็นโครงการของผู้หลักผู้ใหญ่สองท่านคือสมเด็จพระสังฆราชและของพระเจ้าอยู่หัวพวาเราก็ได้รับประโยชน์มีงานทำกันคนะ <Okay. S 1> <laughs> คือได้รับทราบจากเอ่อท่านด็อเตอร์กาสมสกุลนะคะท่านเป็นผู้มีการดั้งเดิมของศูนย์ฝึกอะคะ่ะจ <c oughs> นเล่าให้ฟังว่า เ, เหตุผลหนึ่งที่จะสร้างศูนย์ฝึกขึ้นมาจะเพื่อที่จะ เออช่วยไม่ให้ชาวบ้านเนี่ยค่ะขายที่ดินอว่าเอ่อทางพัทยะจะา จ, จัจจลาเนี่ยเดี๋ยวชาวบ้านก็มีคนมากว้านซื้อที่ดินก็สนาม ก, ก๊กสนามก๊อฟนี่ติดกับวัดใช่ไหมเห็นไห ม, ไหมตรงวิหารเซียนเนะี่ยที่เกือบสองพันไร่นะเขาก็มากว้านซื้อทําสนามกอ๊อฟไปละเออเพราะชาวบ้านเขาก็ไม่มีปัญญาที่จะอทำมหากินเขาก็ปลูกแต่มันสัมปะหลังอย่างเดียวหรือสาปเปรดเนี่ย สองอย่างเห็นพืชแถวนี้ที่เขาปูกกันหลายด้าก็ไม่ไม่ดีเท่าไหร่พอมีคนมาขายซื้อมามาขอซื้อที่ให้สักสองสามล้านเขาก็ขายกันละขายกันก็นไปซื้อปิกอัพไปซื้ออะไรเดียวเดียวก็หมดนะแต่ถ้าก็มีมีวิชาความรู้ที่สามารถที่จะมาใช้ในการเพาะปลูก ทำพืชที่มีราคาได้เขาก็ไม่ต้องขายที่ดินแล้วที่จัดงานทุกปีนี่ที่เป็นเป้าหมายต้องการให้คนเข้ามามาซื้อพืชที่เราทำหรือว่าให้เข้ามาได้ชมที่สองอย่างเป็นล ได้ให้มาซื้ อ, อมาเอ่อมันกับเราพัฒนาอะไรได้ในช่วงนั้นเป็นเกี่ยวกับวิชาการก็จะเผยแพรให้กับประชาชนได้นําไปปฏิบัติน ะ, ะอืมแล้วเราก็มีพวกพืชอะไรที่ขายด้วยใช่ไหมนะมีผานะก็ผลิตปศุสัที่ต้นหนามอืมแล้วก็มีเกษตรกรเกือข่ายโดยที่อบรมกับเราไปแล้วขยายผลแล้วก็พวกเราได้ออกไปรับรองมาตรฐานเกษตรธรรมชาติให้ ก็ได uh ้ huh. ลกลับมาจำหน่ายงานด้วยค่ะ uh huh. ก็เพื่อเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยเกิดความมั่นใจใน uh huh. ในการทำกรเกษตรเพิ่มขึ้นค่อ uh huh. แมแม้แต่ตัวข้าราชการที่อยู่ในศูนย์ฝึกเนี่ยค่ะก็ต้องมีการทำเพาะปล่อต่างๆค่ะ uh huh. ที่ต่างๆเพื่อให้ประชาชนที่มาเนี่ยค่ะ uh huh. ดมาดูว <c oughs> ิธีการครับแล้วที่สูนนี้ก็พาะปลูกผัก กินกันเองใช่ไหมมันต้องไปซื้อผักใช่ไหอได้แล้วเด็กโรงเรียนผู้รู้เขามาศึกษาหรือเปล่าเขามาค่ะแล้วเราก็ขยายผลไปก็ทำเองได้และวเพราะโรงเรียนเขาก็สอนให้เด็กปลูกผักกันะโรงเรียนผู้รู้ก็เป็นโรงเรียนสมเด็จภาษาละราชสร้างขึ้นมาโดยที่อ่ไม่เก็บสตางค์เด็กมหนึ่งถึงมสาม เนโรงเรียนกินนอนเอยู่ฟรีกินฟรีเรียนฟรีจ่ายค่าจะค่าใช้จ่ายทุกอย่างฟรีหมดให้จัพรรดาบดแล้วเ่คะคงอย่างนั้นไม่ใช่ไอมคือต้องการเอาเด็กมาฝึกให้ทางจริยธรรมเป็นหลักคือเห็นว่าเด็กสมัยนี้ถ้าเปเรียนโรงเรียนรัฐนี่จะไม่ค่อยได้มีเรื่องัจริยธรรมเท่าไหร่ เรื่องพุทธศาสนาเรื่องอะไรตรงนี้ก็เลยอยากจะให้เด็กพอดีช่วงมหนึ่งถึงมสามนี้กำลังกาลังเติบโตให้เขาได้มีจริยธรรมศีลธรรมติดตัวไปด้วยก็ทางวัดก็จะจัดให้เด็กมาเข้าวัดวันพระกันมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาทากิจกรรมที่วัดแล้วก็มีพระไปอบรมสั่งสอนที่โรงเรียน สั่าสอนธรรมะให้กับเด็กเด็กพวกนี้เขาจะมีสมมาคารวะเจอผ้าเจอใครเขาจะไหว้แต่ถ้าเป็นเด็กที่เรียนที่อื่นนี้ก็ไม่ไหว้ผ้าไม่เป็นตางชา้าไม่บิณฑบาตนี้เขาเดิ น, เ, ด น, เ, ด น, เ, ดนเหมือนกันไม่รู้จักกันออคือเร า, เรากําลังสูญเสียวัฒนธรรมที่ดีเพื่อแรกกับอวัตถุนิยม สมัยนี้เรามุ่งเน้นไปที่การสร้างวัตถุกันเพราะเราคิดว่าวัตถุเป็นสาราณะเป็นที่พึ่งของเราคิดว่าถ้ามีวัตถุมากๆแล้วเราจะมีความสุขความเจริญกันแต่ความจริงความสุขความเจริญของเราไม่ได้อยู่ที่การมีวัตถุแต่อยู่ที่การมีคุณธรรมมีจริยธรรมมีศีลธรรมซึ่งการพัฒนาทางวัตถุมันจะทําลาย ตรงนี้ไปเพรามันมันขัดขวางความเจริญทางวัตถุนะทางวัตถุนี่มันต้องการทําอะไรสะดวกรวดเร็วกองได้ก็กงองเบียดเบียนกันได้ก็เบียดเบียนกันเพราะทุกคนมุ่งเป้าไปอยู่ที่วัตถอุอยู่ที่รายได้อยู่ที่เงินทองกันความเคาวลบกันความแกล้งออกเกลงใจกัน ความเมตตาต่อกันมันก็เลยไม่มีเพราะทุกคนจะเอาเอาความเห็นแก่ตัวเป็นหลักเพราะทุกคนต้องการได้เงินได้ทองได้ข้าวได้ของเพราะคิดว่าการมีเงินทองข้าวของแล้วจะทำให้มีความสุขแต่มันเป็นความสุขปลอมความสุขเดียวเดียวเวลาอยากได้อะไรซื้อมาก็ดีใจสองวันแล้วก็หมดแล้วอยากจะได้ใหม่แล้ว ของที่ซื้อมาก็ไม่มีความหมายแล้ของถึงล้นบ้านเต็มบ้านแต่ใจกลับไม่มีความพอมีความอยากได้อยู่เรื่อยๆมีความร้อนใจอยู่เรื่อยๆอยากจะทำอะไรให้ได้ดังใจเร็วๆเี่ยจึงมีปัญหาทางท้องถนนกันทุกวันนี้ขับรถกันเบียดกันแซงกันแล้วพอชนกันก็ลงมาตตีกันต่อ ฆ่ากันก็มีบางทีเอาปืนออกมายิงกันเลยอันนี้เป็นโทษของการที่เราไปเจริญทางด้านวัตถุกันใครตรงนั้นเปิดเสียงช่วยปิดหน่อยได้ไหมมันมันย้อนกลับเข้ามาทั้งนี้เอาหูฟังใส่หูฟังเลยมันต้องกลับมาไม่ใช่ไม่ใช่ลำโพงแล้วใครคงเปิดเครื่องไว้มั้ง ก็เปิดเฟซบุ๊กอยู่บ้างเหมือนกันเลยพียังหนึ่งะคท่านทําไมความเชื่อเรื่องบุญเรื่องกรรมเรื่องการเกิดชาติหน้ามีจริงหรือเปล่าขนาดนี้นมีความรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยเชื่อมันพิสูจน์ไม่ได้งไง <c oughs> เพราะว่าผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปนี้มันไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายใจนี่แหละ ือผู้กระทำบุญและทำบาปผ่านทางร่างกายร่างกายนี้เป็นเพียงเหมือนรถยนต์นะส่วนคนขับรถยนต์นี้เป็นผู้ขับรถไปชนคนตายเวลาเขาขับรถยนต์ไปชนคนตายเขาเอารถไปขังคุกตารางรึเปล่าเขาจับคนขับไปใช่ไหมแต่ทีนี้คนขับร่างกายนี้มันไม่มีรูปร่างหน้าตาตัวตนไปจับไม่ได้ ก็เลยจับเอ๊ร่างกายนี้ไปถังคุกถังตารางแทนก็เลยคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเป็นเป็นคนกระทาผู้กระทาแต่ความจ ร, ริง ร, ร, ร, ร, ร่างกายไม่ได้เป็นผู้กระทาเป็นผู้รับคาสั่งเหมือนกับรถยนต์ผู้ที่ขับรถยนต์หรือผู้ที่ขับร่างกายนี้คือใจผู้ที่รู้ที่คิดเนี่ยที่สั่งให้ร่างกายมานี่ไม่ใช่ร่างกายมาเองนะร่างกายมันมาเองไม่ได้ถ้าไม่มีคำสั่งจากใจ วันนี้ใจสั่งว่าวันนี้ขึ้นมาบนเขากันใช่ไหต้องคิดก่อนเนี้ยนะกินแล้วก็สั่งให้ร่างกายให้ขึ้นมาผู้ผู้ที่สั่งนี่แหละคือผู้ที่ไปไปรับผลบุญผลบาปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วนี่ผู้ที่สั่งนี้มันไม่มีรูปร่างหน้าตามันก็เลยหลงไปคิดว่าเป็นร่างกาย ผ, ผู้ที่สั่งเองก็ไม่รู้จักตัวเอง ไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเองด้วยพวกเรานี้ไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเรากันแต่ความจริงเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นเราเราเป็นใจผู้รู้ผู้คิดถ้าเราอยากจะเห็นหน้าตาของเราเราต้องนั่งสมาธิเท่านั้นถ้าเรานั่งสมาธิจิตสงบแล้วใจจะแยกออกจากร่างกายให้เราเห็นได้ชัดเลย ร่างกายจะกลายเป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนไปแข็งทื่อส่วนผู้รู้ผู้คิดนี้จะเด่นชัดขึ้นมาแล้วเราถึงจะรู้ว่าอ๋ อ, อผู้นี้แหละผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบากรับตั้งแต่ทาแล้วหละเวลาเราทำบาปในใจเราสุขหรือทุกข์เนี่ยเราใจสบายในเวลาไปทำบาปไปโกหกใครไปช่อโกงเมันทุกข์ขึ้นมาแล้วเนะี่ย ความทุกข์ใจนี่แหละคือคือนรกก็ได้นะนรกสวรรค์นี้มันไม่ได้เป็นสถานที่มันเป็นสภาพจิตของเราสภาพจิตใจของเราจิตใจเราทุกข์เรากังวลเราวิตกรุ้มร้อนเนี่ยแสดงว่าจิตใจของเรากําลังเป็นนรกอยู่เพราะเกิดจากการกระทําบาปของเราลองไปฆ่าใครดูแต่เราดูใจจะสงบไหม ไปเวลาโกรธใครแล้วก็ไปฆ่าเขาอ่างนี้ฆ่าเสร็จแล้วใจรู้สึกอย่างไรบ้างเย็นสบายเหมือนตอนนี้ัหมไม่เยน็นแล้วล่ะใจมันจะร้อนขึ้นมาคุยตกกังวลเพราะมันกลัวจะถูกไปจับลงโทษเนี่ยแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดร่างกายตายไปแล้วก็จับมันไม่ได้แล้วแต่ความจริงมันยังมีโทษติดตัวอยู่ ความร้อนที่อยู่ในใจมันยังไม่หมดหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วความร้อนนี่มันยังร้อนต่อไปใจที่ร้อนเนี่ยเที่ยวเรียกว่าเป็นนรกไม่ได้เป็นสถานที่ว่าพอตายแล้วจะต้องเดินทางไปที่ตรงนั้นตรงนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนรกสวรรค์ น, นี้อยู่ในใจของเราแล้วนรกในอกสวรรค์นในใจ เ, ออเวลาเราทำความดีทำบุญนี่เรามีความสุขหม อ่านั่นแหละเป็นสวรรค์ขึ้นมาและความสุขใจเรียกว่าสวรรค์ความร้อนใจเรียกว่านรกอันนี้มันถ้าไม่สังเกตไม่ศึกษาจะจะไม่เข้าใจสมัยนี้คนก็เลยไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เพราะว่าเขาคิดว่าเมื่อตายแล้วมันก็จบじゃนะตอร่างกายตายแล้วร่างกายมันก็กลายเป็นขี้เถ้าไป เอาไปเผามันก็กลายเป็นขี้เท่าไปแล้วใครเป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาปอ่ะเขาไม่เห็นอ่าทีนี้ก็คิดทีนี้เราไปคิดว่าตัวเราเองเป็นร่างกายเมื่อร่างกายตายไปแล้วแล้วใครจะไปรับผลบุญผลบาปต่อก็อไม่มีใครไปรับเราสิแล้วเรื่องอะไรไปทําบุญให้เสียงเงินต่อเปล่าด้วทุกวันนี้หาเงินเพื่อมาเพื่อมาซื้อของให้ให้เรามีความสุขกันใช่ไหมซื้อของที่เรา อยากได้กันใช่มหมเพราะเวลาซื้อแล้วมีความสุข嘛แล้วเรื่องอะไรเงไปทําบุญให้เสียเสียเงินเปล่าเปล่าทำไมใช่ไหมทำเงินเอาหาเงินมาท้าตายแล้วก็ไปทําบุญนี่หามาทําไหมเขาหามาเพื่อจะได้ไปเที่ยวกันนะเนี้ยไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นไปเฮฮากันไปสนุกสนานกันเขาก็เลยไม่กลัวบาปกันน เพราเขาอยากจะได้เงินง่ายๆเร็วๆกันวิธีหาเงินง่ายๆเร็วๆก็ต้องทำผิดกฎหมายทำผิดศีลละทำต้องโกโหกหลอกลวงช่อโกงฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนีมันได้ง่ายไหมมาทำงานเป็นข้าราชการเดินได้กิ่ตังค์กันใช่ไหมซื้อไปขายยาเสพติดไม่ดีกว่าอย่างวันนี้ก็ขายหวยขายแั๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้แล้วเนี่ย ครับถ้าเกิดสมมุติคนใกล้ตัวเราเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนหรือว่าลุ่มหลงเสพติดอะไรสักอย่างเนี่ยเราจะมีวิธีการที่จะแม่น้ำร้นอนเราถอยสิอยู่ใกล้ไฟทําไมอ๋อแ อ, อย่าไปเล่นกับไฟเาขาร้อนก็ปล่อยเขาร้อนไป เ, เราต้องถอยอย่างเดียวอย่าไปอยู่ใกล้อย่าได้ก็ยากันเลยหาคนเย็นเย็นดีกว่าอยู่กับคนเย็นเย็นดีกว่าอาไปอยู่กับร้อนทําไม เราจะไม่แนะนําอะไรเขาหรอกถ้าเขาขอร้องก็จะแนะนําให้ใ<ช>ถ้าเขาไม่ขอร้องไปแนะนําขาได้เลยเดี็กเขาก็จะได้อไ ด, ได้สอบกลับเขาเนะี่ย <c oughs> ไปยุ่งกับเขาทําไม <c oughs> ไปยุ่งกับเขาทําไม <c oughs> เขาจะด่าเราทุกทีมม่มาเสือกอย่างนี <c oughs> ใช่อหมอถ้าเขาขอร้องก็ใช่เนี่ยอย่างญาติโยมถ้าไม่มาที่นี่เราไม่มาเราไม่ไปที่สูงไม่พูดหรอกเพราะไปก็ไม่อยากจะฟังอ่ะ แต่ถ้ามาที่นี่แสดงว่าอยากจะฟังนะพอ<ม>อยากจะฟังก็คุยกันได้เนพระพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านมห้ามไม่พาไปสั่งสอนใครถ้าเขาไม่ขอก่อน<ม>เขาต้องอาราธนาให้แสดงธรรมก่อนถึงจะแสดงได้ไม่ใช่อยู่ดีๆไปเจอกายมาม า, มา <laughs> อยา ก, กินเล่านะออ <laughs> อย่าไปเที่ยวผู้หญิงนะเดี๋ยวมันก็ต่อายแล้วนะ <laughs> ใช่ไอม <laughs> อันนี้มันเป็นเรื่องของเจริตนิสัยของคนที่เขาทาแล้วก็มีความสุขแล้วเราไปไปบอกให้เขาอย่าทําเนี่ยเขาเขาก็โกรธเราสิเขาก็เกลียดเราพระเจ้าถึงบอกว่าอย่าไปคบคนคนคนไม่ดีเนี่ยคนอยู่กับคนไม่ดี ร, ร, รีถอยออกมาเส้มงคลแห่งชีวิตเคยได้ยินไหมอาเสวานานจะบาลานังไม่ให้คบคนพาลให้คบบัณฑิต คนพาลก็คือคนง้คนไม่ดีคนโลภโมโทสันคนใจร้อนเนี่ยเรียกคนง่อคนพาลคนดีก็คือคนใจเย็นคนคนมีศีลมีธรรมเป็นคนดีถ้าอยู่กับคนไม่ดีก็อย่ากันดีกว่าปปเปลี่ยนเขาไม่ได้หรอกตัวเขาเองก็ยังเปลี่ยนตัวเขาไม่ได้แล้วเราไปเปลี่ยนเขาได้ยังไง นอกจากว่าเขาอยากจะเปลี่ยนแล้วเขาไม่รู้วิธีอย่างเงี้ยถ้าเรารู้วิธีเราก็บอกเขาได้เหมือนคนที่ติดยาเสพติดถ้าเกาไม่อยากจะเลิกเราไปบอกก็เลิกก็จะเลิกก็เปล่าเขาต้องอยากเลิกก่อนใช่ไหมกาต้องเห็นว่าการติดยาเสพติดนี่มันเป็นอันตรายเป็นพิษเป็นภัยต่อชีวิตเขาเขาอยากจะเลิกช่วยเขาหน่อยแล้วก็พาเขาไปที่ศูนย์บาบัดได้ เพราะการที่เขาติดยาเสพติดเนี่ยเกิดจากกรรมเขาหรือเปก็เกิจดากจากความหลงที่คิดว่าความสุขอยู่ที่การเสพยาเสพติดเนี่ยพวกเราก็ติดเหมือนกันแต่ไม่ไม่รุนแรงเหมือนเขาใช่ไหมรูปเสียงกินน็อตต่างๆที่พวกเราติดกันนี่ก็เป็นเหมือนยาเสพติด่ะดูละครนี่ก็เป็นยาเสพติดอย่างหนึ่งถ้ า, า, าวันไหนไม่ดูแล้วรู้สึกยังไงเครียดไหมการไปเที่ยวนี่ก็เป็นเหมือนกับติดยาเสพติด การติดรูปเสียงเกล็ดรอดนี่ก็เป็นเหมือนติดยาเสพติดเพียงแต่ว่ามันไม่รุนแรงเหมือนยาเสพติดยาเสพติดมันติดแล้วมันติดมันมันเลิกยากแล้วก็เป็นภัยต่อร่างกายทำให้ร่างกายนี้ตายตายได้เร็วแต่ติดอย่างอื่นมันยังช้าหน่อยติดบุหรี่มันยังช้าหน่อยติดเหล้ามันยังช้าหน่อยติดกาแฟนี่มันยังช้าหน่อย ติดละครติดแฟนก็เหมือนกันเนี่ยเนี่ยติดแฟนก็เป็นเหมือนยาเสพติดเหมือนกันเห็นไหมทุกคนติดกันก็เลยถือไม่ไม่ถือว่ามันเป็นเรื่องร้ายแรงแต่ที่ทุกคนร้องห่มร้องไห้เพราะแฟนนี่มีเยอะไหมเนั่องเน่ยแล้วทำไมไปติดกันทำไมเพราะเลิกไม่ได้ใช่ไหมอ่ออันนี้มันติดมาตั้งแต่นิสัยมันติดมาเป็นนิสัยละติดแฟนติดอะไรพวกเนี้ยเขาเรียกว่ากามอะติดกามกันจึงพายเรากลับมาเกิดกัน พอร่างกายที่ตายไปแล้วยังความติดในกามยังมีอยู่อยากจะมีแฟนต่อก็กลับมาเกิดใหม่เพราะต้องมีร่างกายถึงจะมีแฟนใหม่ได้ถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่ไม่สามารถที่จะไปหาแฟนใหม่ได้ก็เลยต้องกลับมาเกิดใหม่นี่พอกลับมาเกิดใหม่มันก็ต้องมาแก่ใหม่มาเจ็บใหม่มาตายใหม่อีะมันมีของแถมมาด้วยถ้าเกิดมาแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ดีนะ จะได้มีแต่เสพความสุขทางร่างกายตลอดเวลาเนี่ยความหลงมันพาพวกเราเนี่ยกาลังไปหาความทุกข์กันโดยที่หลอกให้เราคิดว่าเป็นความสุขกันเนี่ยคนที่ไปเสพยาเสพติดก็ถูกความหลงหลอกว่าเสพแล้วมีความสุขเสพแล้วมันใช่ไหมมันมันจริงอแต่มั น, ม, นมันเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวพอมันหมดแล้วที่มันก็จะลงแดงะ เวลาไม่ได้เสพนี่โอ้ยมันจะตายให้ได้ก็ต้องหามาเสพอยู่เรื่อยๆแล้วยิ่งเสพก็ต้องเสพมากขึ้นมากขึ้นไปเพราะเสพน้อยๆมันลิ์ยามันไม่ถึงใจแล้วมันต้องมากขึ้นมากขึ้นแล้วพอยิ่งมากยิ่งมากมันก็เลยไปทําลายหัวใจแล้วก็หัวใจวายตายนี่แหละคือความหลง ความหลงที่เราไม่รู้กันว่าความสุขของพวกเราที่แท้จริงอยู่ที่ไหนกันความมันติดมาตั้งแต่หลายภพหลายชาติแล้วมาเกิดมากี่ภพกี่ชาติก็คิดว่าความสุขอยู่ที่วัตถุใช่ไหมอยู่ที่เท่าของอยู่ที่ลูกเสียงกลิ่นรสไปเสพกันไปเที่ยวกันไปดูหนังฟังเพลงกันไปดื่มไปกินไปอะไรกันอันนี้เป็นความหลงหรอให้เราคิดว่าเป็นความสุขจะเสพเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอใช่ไม ไปเที่ยววันนี้ก็สนุกดีเพราะกลับมาบ้านก็หายไปหมดแล้วเนะี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากจะออกใหมนะ่ละอยู่บ้านเฉยๆก็หงดหงิดํำคาใจเจ้าสร้อยงอยเหงาว้าเวก็ต้องออกไปเรื่อยๆออกไปเที่ยวออกไปกินไปดืม่มไปหาความสุขหางตาหูจมกูกเลี้ยกายอยู่เรื่อยๆจนกว่าจะไม่ได้มาเจอพระพุทธศาสนาเนี่ยเจอพระพุทธเจ้าที่ได้ทงคนพบว่า ความสุขของพวกเรานี้ไม่ได้อยู่ที่สิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เป็นความทุกข์เพราะมันพาให้เราไปต้องไปเวียนว่ายตายเกิดกันในพวกเราเกิดมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วเพราะความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสกันนี่แหะต่พอมาเกิดก็ต้องมานาบากรับการเลี้ยงปากเลี้ยงทองใช่ไหมกว่าจะโตมาพึ่งตัวเองได้ก็ต้องพึ่งพ่อแม่ต้องไปโรงเรียนต้องเรียนหนังสือต้องอะไร ยี่สิบปียี่สิบกว่าปีถึงจะพึ่งตัวเองได้พอพึ่งตัวเองได้ก็ต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายแล้วมันเป็นทุกข์การมาเกิดนี่มันเป็นทุกข์เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายที่มาเกิดก็เพราะความอยากเศษการามกันนี่แหละอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสกันถึงต้องมีตาหูจมูกลิ้ไกายถึงต้องมีร่างกาย พอร่างกายนี้ตายไปก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่เหมือนมือถือตอนนี้ติดมือถือหเปล่าถ้าเกิดมันเครื่องเก่าพังไปต้องไปซื้อใหม่ไหมเครื่องเก่ายังไม่ทานพังก็ซื้อใหม่นั่นเใช่นั่นแหละถ้าเราติดแล้วมันพอมันไม่มีแล้วก็ต้องหามาทดแทนใหม่ <laughs> ตอนนี้เราติดร่างกายกันใช่ไหม <laughs> ร่างกายนี้เป็นมือนมือถือเครื่องสำคัญที่สุดเนี่ยก็เราต้องมีร่างกายเราถึงจะสามารถ มีอย่างอื่นได้นี่ครับความอยากของเราอยากมีสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายจึงพาให้เราต้องมามีร่างกายกันเราก็นั่งมาเหนื่อยยากกับการเลี้ยงดูร่างกายดูแลรักษาร่างกายเพื่อที่จะได้เอาร่างกายนี้มาหาความสุขให้กับเราแล้วก็เป็นความสุขปลอมหาไม่ได้เดี๋ยวเดียวก็หมดแล้วเดีต้องหาใหม่แล้วแล้วบางทีก็เสียให้ตกเสียใจ เวลาได้มาแล้วหายไปเวลาได้แฟนมาก็ดีใจพอแฟนเลิกกับเราก็เสียใจเนี yeah. ่ยพอเราไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงของเราอยู่ตรงไหนมีความสุขที่แท้จริงมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่ส่งคนพบเนี่ย <Yeah. S 1> ความสุขที่แท้จริงของของเราก็อยู่ในใจเรานี่แหละอยู่ที่ความสงบเนี่ย <Yeah. S 1> yeah. ที่พวกเรามาถือศีลมานั่งสมาธิมาฟังเทศน์ฟังธรรม เป้าหมายก็อยู่ที่การทำใจให้สงบนี่แหองพอใจสงบแล้วมีความสุขยิ่งกว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้นัติสันติบาลังสุขขังพระเจ้าบอกว่าไม่มีความสุขอะไรในโลกนี้ที่จะดีกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบของใจที่เรามารักษาศีลมานั่งสมาธิมาฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อมาทาใจให้สงบกัน ถ้าใจสงบแล้วก็ไม่ต้องมีไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องไปหาความสุขทางวัตถุทงังทางรูปเสียงกลิ่นรสกันอย่างพวกที่เขามาบวชกันนี่เขาเลิกหาความสุขผ่านทางร่างกายกันแล้วพวกที่ยังไม่บวชนี่ยังต้องใช้ร่างกายหาความสุขกันอยู่พวกที่มาบวชนี่ก็าหาความสุขจากการทำใจให้สงบแล้ว พอใจสงบแล้วมีความสุขยิ่งกว่าถูกกอตอรีอ่รางวัลที่หนึ่งเองคอย่างเย็นเนี่ยเดี๋ยวถูกหวยสู้นั่งสมาธิไม่ได้นั่งสมาธิจิตสงบนี่มีความสุขยิ่งกว่าถูกหวยเองพอถูกหวยมันไม่สงบนะใจมันรนะ้อนจะเอาเงินไปใช้ที่ไหนดีอ้วนแล้วสิคิดใหญ่นะเดี๋ยวก็ไปซื้อเหล้ามากินกันเมากันแล้วก็ไปตีกันอนีกความสุข แท่เราไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้กันแต่ชาตินี้เราโชคดีเราได้มาเจอพระพุทธศาสนาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ว่าความสุขที่แท้จริงของพวกเราอยู่ที่ความสงบความสงบนี้เราต้องสร้างมันขึ้นมาต้องหยุดตัวที่มาทำให้ใจไม่สงบตัวที่ทำให้ใจเราไม่สงบก็คือความคิดความอยากต่างๆนี่แหละพอคิดอยากแล้วมันอยู่เฉยๆได้ไห พออยากจะไปหาแฟนนี่อยู่ไม่ได้นะพออยากจะไปดูละครนี่อยู่ไม่ได้นะมันต้องไปแล้ว <S <S แต่ถ้าเราหยุดความคิดความอยากได้มันก็อยู่เฉยๆได้อยู่เฉยๆก็มีความสุขได้ <S <S ตอนนี้เราไม่เฉยกันใจเราไม่ยอมเฉยเราจึงต้องมาฝึกนั่งสมาธิกันเพื่อทำให้ใจเฉยมาหยุดความคิดกันนะ วิธีอยู่ความคิดก็ให้ใช้ความคิดคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นคิดอยู่กับคาว่าพุทโธพุทโธถ้าเราท่องพุทโธพุทโธไปเรื่อยเราก็ไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้พยายามพุทโธไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะไม่คิดถึงขนมไม่คิดถึงกาแฟไม่คิดถึงแฟนไม่คิดถึงละครมาอยู่จาศีลมันก็จะไม่รู้สึกอึดอัด ที่มันอึดอัดเพราะมันไปคิดถึงขนมนมเนยคิดถึงอาหารเย็นเนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นก็เริ่มอึดอัดกันแล้ะเพราะมันคอยกินคอยคิดถึงเวลามันจะคิดทันทีเอ๊ะถึงเวลากินแล้วหนูแต่วันนี้ไม่ได้กินทัแล้วถึงต้องจับไปเข้าบวถไปนั่งไหว้พระสวดมนต์กันจะได้ลืมกันพอสวดมนต์ไปแล้วมันก็ลืมเรื่องอาหารไปถ้ามาอยู่วัดมันก็พออยู่ได้เพราะไม่มีใครกินข้าวเย็นกัน ไปสวดมนต์กันแทนกินข้าวเย็นมันก็เลยลืมเรื่องกินข้าวเย็นไปมันก็เลยไม่หิวแต่ถ้าอยู่บ้านเราถือศินแปดแล้วคนอื่นเขาไม่ถือนี่เราอยู่กับเขาไม่ได้เดี๋ยวเขาก็ทําอาหารกินอาหารก็โชยเข้ามาในจมูกเราก็เดี๋ยวก็อยากขึ้นมานะ้อยากขึ้นมาก็ทนไม่ไหวเดี๋ยวสินแปดก็ขาดไปสินแปดก็เหลือสีนห้าขอลดสามข้อ นี่แหละคือปัญหาของพวกเราคือใจของเราไม่สงบเลยไม่มีความสุขในตัวเองก็เลยถูกความหลงหลอกให้เราไปคิดว่าความสุขของเราอยู่ข้างนอกอยู่ที่อาหารเย็นอยู่ที่ละครอยู่ที่แฟนเี่ถ้าไม่ได้ถือสินแปดวันนี้ก็เยเ็นเย็นก็กินข้าวเย็นได้แล้วก็ดูละครเสร็จแล้วก็ไปนอนกับแฟนต่อได้แต่นี่ไม่ได้แล้วถ้ามาถือศีนแปด ให้มาหาความสุขจากการนั่งสมาธิแทนแต่ใหม่ๆนี้มันไม่สงบหรอกเพราะว่าเราไม่มีกำลังที่จะหยุดความคิดได้นั่งไปได้เดี๋ยวเดียวก็ทนไม่ไหวแนละ้วต้องขยับตัวต้องลุกแล้วพอลุกก็ไปคิดถึงอาหารเย็นนะคิดถึงแฟนนะคิดถึงละครนะลุกการที่เราความคิดเราคุ้ ง, ง, งคุ้งซ่านนียค่ะหรือว่าเราคิด มันสามารถจะตั้งสติได้ตอเราไม่หยุดมันไงเราไม่พูดโทมันไงเหมือนรถยนต์อ่ะถ้าเราอยากให้มันหยุดเราก็ต้องเหยียบเบรกใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่มีเบรกมันก็ไม่หยุดกันเลยตอนนี้พวกเราไม่มีเบรกใจกันเวลาคิดแล้วคิดไปเลยเหมือนรถวิ่งลงเขาอหยุดมันไม่ได้จะหยุดก็ต่อเมื่อมันเหนื่อยนะจนกระทั่งมันบางทีเป็นบ้าเนีความคิดนี้มันทําให้คนเป็นบ้าได้ แ ล, แ, ลแล้วการที่หยุดช้าหรือเบรกไม่ได้อย่างเนี้ยเกี่ยวกับกรรมมะปะ่รรมมะคะเกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับการไม่มีสติไงการไม่มีสติก็เป็นกรรมอย่างหนึง่งเพราะชาอบอยู่แบบไม่มีสติกันชอบปล่อยให้ใจลอยไปกับความคิดต่างๆไม่เคยยับยั้งหยุดความคิดของตัวเองเพราะไม่มีใครสอนเนี่ยยต้องมาเจอพระพุทธศาสนาเนี่ยถึงจะมาสอนบอกเราว่า อย่าไปคิดหยุดคิดดีกว่าหยุดคิดแล้วมีความสุขถ้าจะคิดก็คิดเรื่องที่จําเป็นจริงๆเรื่องทํางานทําการนี่มันไม่เป็นอันตรายคิดเรื่องงานเรื่องการมันเป็นประโยชน์ทําให้เรามีรายได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่ถ้าคิดไปเที่ยวคิดไปหาความสุขทางตาหูจะบูกเรื่องการเนี่ยมันเป็นโทษพอมันเป็นคิดคิดคิดไปเสพยาเสพติดเนี่ย รูปเสียงกลิ่นร้อนนี้ยมันเป็นเหมือนยาเสพติดเราต้องหยุดมันถ้าหยุดมันได้แล้วใจเราก็จะสงบมีความสุขเนี่เราไม่มีเบรกกันเนี้เบื้องต้นนี้ก่อนที่จะนั่งสมาธิได้ผลเราต้องสร้างเบรกขึ้นมาก่อนสร้างสติขึ้นมาก่อนด้วยการท่องพุทโธพุทโธไปทั้งวันตั้งแต่ตื่นขึ้ น, นมาเลยลืมตาพอเลืมตาปั๊บ ก็พุทธโธเลยเหมือนออกจากเส้น เ, เวลาเขาให้วิ่งเพอเขายิงปืนปั๊บพอออกวิ่งปั๊บก็พอตื่นขึ้นมาก็พุทธโธเลยไม่ว่าจะทําอะไรก็พุทโธไปถ้าไม่ต้องใช้ความคิดเช่นอาบน้ําต้องใช้ความคิดนะไม่ต้องเห็นไหมก็พุทโธไปล้างหน้าแปรงฟันก็พุทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุทโธไปยะมาใช้ความคิดก็ต่อเมื่อมาถึงที่ทํางานะ พอทํางานต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการก็หยุดคิดชั่วข่าวหยุดหยุดพุทโทชั่วข่าวคิดไปเกี่ยกับการงานต่างๆพอเลิกงานก็กลับมาพุทโทต่ออย่าปล่อยให้มันไปคิดไปหาลูกเสียงกลิ่นรถไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วถ้าเราควบคุมความคิดได้พอเรานั่งสมาธิมันก็จะสงบพอสงบแล้วเราก็มีความสุขเราก็จะไม่ต้องไปดูทีวีไม่ต้องไปกินข้าวเย็นกัน ไม่ต้องไปนอนกับแฟนกันเอานี้งยง่ายๆทำสติขึ้นมาตัวเดียวเนี่ยถ้ามีสติแล้วจะแก้ปัญหาต่างๆได้หมดเลยฝึกสติไปพุโทโธไปหยุดความคิดให้ได้แล้วใจจะสบายไม่เครียด <Okay. S 1> ที่มาปฏิบัติซ้าเนี่ยสามวันรู้ป่าววันปฏิบ 3, ัติอะไรกันน่ะ เป้าหมายก็อยู่ที่ตัวนี้แหละตัวสติรู้ไหมรักษาศีล ก, ก็เป็ น, เ ป, นเป็นการเพื่อที่จะล้อมคล้องมาให้จิตมันออกไปก็จะได้ดึงมันเข้าให้มันสงบได้มามาอยู่วัดมันจะได้ไม่ต้องทํางานจะได้ไม่ต้องคิดเนี่ยจะได้หยุดความคิดกันได้แต่นี้ก็ยังคิดกันอยู่ชอบเกาะกลุ่มคุยกันอยู่นะม <c oughs> าออยู่คนเดียวก็เหงาอีก <c oughs> อยู่คนเดียวก็ก็คอคุยก็ คุยกับตัวเองเดี๋ยวเดียวก็เบื่ออยากจะไปคุยกับคนอื่นเราต้องมาสร้างสติกันเพื่อจะหยุดความคิดกันถ้าเรามีสติแล้วเราจะหยุดความคิดหยุดความอยากได้ใจที่ร้อนก็จะกลายเป็นใจที่เย็นไปเวลาใจสงบนี่เย็นสบายใจร้อนก็เหมือนเวลาอยู่นอกห้องปรับอากาศอย่างนี้อยู่ข้างนอกห้องมันร้อนไ พอเข้าไปในห้องปรับอากาศนะมันเย็นเวอเวลานั่งสมาธิพอใจสงบนี่มันเย็นเหมือนกับอยู่ในห้องปรับอากาศนะสบายพอมันไม่สงบเนี่ยมันเหมือนกับอยู่ข้างนอกเหมือนกับปิดเครื่องปรับอากาศนะพอปิดเครื่องปั๊บมันใจก็ร้อนขึ้นมาทันทีมันก็เลยไปหาวิธีคลายความร้อนด้วยการดูละครด้วยการไปกินอาหารเอ ด้วยการไปเที่ยวไปด้วยการไปทำอะไรต่างๆทำนั่ไหลมันก็ไม่หายร้อนหายเดียวๆดียวเดี๋ยวก็ร้อนขึ้นมาใหม่แต่อยากจะให้มันหายร้อนอย่างถาวรก็ต้องนั่งสมาธิหยุดความคิดให้ได้แล้วต่อไปพอเราทาได้แล้วอเราก็จะทำไปได้เรื่อยๆวลาร้อนเราก็หยุดมันหยุดความคิดพุทโธพุทโธไปใจก็เย็นสบายมีความสุข นี่แหละคือความสุขที่แท้จริงที่จะทำให้เราไม่ต้องไปหาความสุขจากวัตถุต่างๆวัตถุนิยมนี้จะถูกทำลายไปหมดเลยถ้าเรามีพุทธศาสนาถ้าเรารู้จักวิธีสร้างความสุขภายในใจกันถ้าเราสามารถทำใจของเราให้สงบเราไม่ต้องมีไอ้แม่ดูพระที่อยู่บนเขานี้เขามีอะไรบ้าง วันนี้มีคนอยู่เกือบยี่สิบกว่าคนเชื่อไหยี่สิบคนเนี่ยมีพระอยู่ตามกุฏิอยู่ตามกระท่อบอยู่ในป่าเนี่ยไฟฟ้าไม่มีน้ําปะปาไม่มีทําไมเขาอยู่กันได้ไม่มีทีวีไม่มีตู้เยน็นไม่มีอะไรต่างๆเพราะเขามีความสงบเขามีสติเขาอยู่ความคิดได้พวกเรามาอยู่แบบนี้ได้ไหม ไม่ต้องมีอะไร <c oughs> กินมื้อเดียวตอนนั้นก็น้ำเปล่าสบายจะตายไปไม่ต้องไปพึ่งพาสายอะไรต่างๆพอพึ่งแล้วมันก็ต้องพึ่งไปเรื่อยๆพอขาดก็เดือดร้อนพึ่งกาแฟพอไม่มีกาแฟดื่มก็เดือดร้อนพึ่งละครพอไม่มีละครดูก็เดือดร้อนพึ่งแฟนพอไม่มีแฟนก็เดือดร้อน เพิ่งอะไรมันต้องเดือดร้อนเพราะเของต่างๆที่เราเพิ่งมันไม่ถาวร่ยมันเป็นของชั่วคราวมันต้องมีวันหมดวันใดวันหนึ่งเหรือไม่งั้นก็ร่างกายเราก็ต้องหมดพอร่างกายหมดเราก็ไม่ส า, ามารทําอะไรได้นละ้ก็ต้องรอมาเกิดใหม่ช่วงที่รอนี่อาจจะต้องไปใช้บุญใช้บาปก่อนถ้าทําบาบาเมากกว่าบุญบาปก็จะพาให้ไปใช้บาปในอาบายก่อน ถ้าบุญมากกว่าบาปบุญก็พาให้ไปใช้บุญในสวรรค์ก่อนพอบุญกับบาปมีกําลังเท่ากันสวรรค์ก็ไปไม่ได้อบายก็ไปไม่ได้ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็กลับมาหารูปเสียงกลิ่นรสกันใหม่เราทำแบบนี้มาอยู่เรื่อยๆก็เรียกว่าวินว่ายตายเกิดจนกว่าเราจะสามารถสร้างความสุขใจขึ้นมาได้ เมื่อเราสร้างความสุขใจได้แล้วเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ท่านไม่ต้องกลับมาเกิดกันละเพราะท่านมีความสุขในใจของท่านท่านไม่ต้องอาศัยร่างกายมาให้ความสุขเอาใจได้ยังเอาไปปฏิบัตินะห็น ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พรเอาทาวาริวะหาปุราปราปริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปัรปติอจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยะธาไมเโจเดระโสยะธาสัพพิตโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตารายสุขีทีขายุโกภะอภิวาทานสีลิสะนิตยังวุตตาปจายโนจตารุธรมมาวัฏานติ อายุวันโนสุขังาระอ่าไปมาที่หลังอยากจะเข้ามาเอาหนังสือหรือมาถวายข้าวของก็เข้ามาได้นะ มีหนังสือซีดีแจกด้วยนะถ้าใครต้องการก็หยิบเอาเองเอาไปอ่านนะอย่าเอาไปแจกเอาเข้ามาเ๋ยวของไว้างไว้ตรงนี้นะ่องซองไว้ในนัของวางไว้เฉยๆเดี๋ยวลูกศิษย์ก็จะจัดการให้พ่อกวัทเ พิศนุโลกพอมาไก่นะชัดไหมชัดค่ะบางวันก็ชัดบางวันก็ไม่ชัดนะถ้าไม่ชัดส่วนมากจะเป็นอันแรกมันจะซาซาอ่แต่ว่าดีอ่ะตอนนี้ก็ถ่ายทอดส่วนอยู่เนี่ยโนนเชียงใหม่ดีติดตามไปเรื่อยๆนะอ่าจะมีหนังสือซีดีแจกนะหยิมได้ท่าต้องการเดี๋ยวก็มีถามตอบปัญหาถ้าอยากจะถามปัญหาก็ถามได้ สิงพอดีอย่างอดีได้ได้หลักสูตรแล้วอย่างจบหลักสูตรแล้วอย่างจบแล้วค่ะอ่าครูสอนสอนครูสมาธิแล้วก็สอนศักทาสารนักโทด้วยค่ะอดีจะได้เผยแผ่ธรรมะไปไกลนะอย่างนี้คนสนใจกันมากนะอ่าดีธรรมนี่เป็นของวิเศษนะนรถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงอะมีหนังสือซีดีจะหยิบเอาเลย น้ำเสก็มีนะหยิบได้สามเล่ม น, นะอย่างอยากเอาไปอย่างละเล่มอ่ม อ, อนี่เจ้าของร้านมาแล้วนี่รู้จักกันหรือเปล่า คนแรกที่พาผมมามาที่เมื่อสิปีก่อนมาคนเดียวแล้วก็หายไปเลยเอาของไวปทั้นเอาของไปเลยแม่เสียไปกี่ปีแล้วนะสี่หกเอา13ปีแล้วนะงานเขาเก่งนะส่งสมบัติให้ลูกไม่เยอะแยะเลยวันนี้วันเกิดเลยมากราบมาเช้าก็ไปกราบที่ค่ะ แจงพี่แจ้งสิบสิบหกคือสติใช่ไหมผมพุ่งนี้อายุเท่าไหร่สามสิบสามสิบนี่เป็นใครผมตั้งใจมาหาพ่อหนาแต่ไม่เหมียวปากตอนนี้ผมอยู่พยานีเองแล้วแม่เขาก็เป็นเคยอยู่กับโยมพ่ออาจารย์ ที่สมบ่อยสมบ่อยโดนพ่อเขาเขอยู่กับพ่อเราเลยใช่ใช่ทอะไรพี่อยู่พี่อยู่ที่ตะหัวมุมหัวมุมตรงข้ามกระดูกิษยนะอ่านั่นแหละสมัยนั้นน่ะสมัยบุกเบิ่มย้อนก็พาจานแล้วเรือกกันเตาแกะต่าแกะโซ่อ่าพ่อมแม่หนูก็อยู่ที่นั่นนะคะเป็น เป็นน้องนม่นั่นทํากับข้าวมั่งเสริมมั่งแล้วพ่อพวดเอ๊ะทำไมเราจําไม่ได้จำเราได้ปะหนูหนูเล็กมากปอาจาย์อาจจะจํามาพี่ชายหนูได้อะเชื่อใช่ไหมชื่อสันไงสรรเสริญเจริญกระสุนคนที่ทําเลขกันเปียกเปียกพี่เขาทำงานที่ร้านชื่ออะไรพ่อเราที่ทํางานที่ร้านชื่อพ่อพวดนะพ่อพวดนะอ๋ออือว่าพ่อมันมีลูกชายด้วยไม่เห็ะค่ะอ่ อ่าใช่มี็ู้ชายสองคนยังไม่หดสี่ส่เลยแต่ตอนนั้นอ่าเราเล็กๆยังไม่ยังไม่เกิดนะคะกำมีพี่สันกับพี่เด็กรู้ยังตัวเล็กยังยังไม่เกิดใช่ไใช่เรียนด้วยนเรีด้วยกนบกา ก็ตั้งใจมานานแล้วโอกาสวันนี้บุญต้อ่มาดีใจก็มีมีมีมีคุณหมอคุณหมออจารีอยู่อภรกรแนะนำให้ให้ให้หนูพาลูกสาวมาก็ยังไม่ได้พามาก็ไม่เวลามีเวลาก็มาแล้วให้เปิดเฟซบุ๊กดูก็ได้ทุกวันบ่ายสองโมงก็มีถ่ายทอดสดอยู่ อาดีใจที่ได้เจอกันพ่อเสียไปแล้วเนี่ยเราหดเสียไปเสียไปหมดนะอืเพิ่งไปทําบุญประจําปีให้เมื่อไม่กี่วันเยงนะทั้งพ่อทัางแม่เดี๋ยวจะลองเล่าให้แม่ฟังเดี๋ยวเขาได้เปล่านะน่าจะจําได้นะพ่อเป็นรุ่นบุกเบิกไปนะพ่อหดแต่ไปต้องปล่อยพ่อต้องปล่อยนะแม่ต้องปล่อยเมื่อกี้ก็เล่าให้ญาติโยมฟังสมัยพัทยายุคแรกๆก ไฟฟ้าไม่มีอมายนั้นไฟฟ้าต้องปั่นไฟเอาเองน้ำก็ต้องขดบ่อถนนถนนตรงหน้าดูสิมันจะมันจะลงไปหน้าแล้วมันเป็นพาน้ำไหลในลุกลากรถตอนนั้นมันจะมีวงเวียนเล็กๆกันหนึ่งที่จะให้อ้อมเด็นข้างหนูยังเล็กมากอันนั้นเราก็ประมาณสิบขวดแล้วสิบเอ็ดสิบสองขวด กานที่มาอยู่กติยาใหม่ๆก็ห้าสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีแล้วสมัยนั้นเงียบวันๆันอย่างนี้รถแทจะไม่มีวิ่งเลยถ้ามีรถวิ่งนี้ต้องออกมาดูใครว่าวิ่งมาอ่ะดีสาทุกนะ จะมารู้จักกันได้ยังไงเรียนเพื่อนเรื่นเดียวกั น, นเรีย น, ยนสมาธิเหรอเรียนที่สองสําคัญอ๋อเพราะที่สําคัญเราต้องพอยังมาไม่ได้เลยยังไม่ได้มาเมา น, านี่ยอ่าต้องการหนังสือซีดีก็หยิบเอาเนาะ สองตอนไงตอนแรกจบแล้วเดี๋ยวตอนที่สองจะมีคําถามคําถามทางบ้านเข้ามานี่ทําที่ศูนยทั้งหมดเลยเลยห้าคนนี่แหละี่ช่วยก้าวข้างล่างเลยอ๋อแล้วใครดูและใครดูแลาศูนย์ปิดเลยเลยรองร้องรายเลย ไม่ก่อนอยู่แล้ว เมื่อก่อนที่ที่ชายทะเลนี่เขาขายไลยละแสนเดียวเดี๋ยวนี้ไม่รู้ม่รูกี่ล้านอะไนี้ไล่ละปิดทะเลน่าจะเกินห้าสิบล้านเกห้าสิบ่ไห่าทก่อนจำได้เขาแบ่งขายไล่ละล้านให้ไล่ละแสนเดียวฮะไม่มีเลย เป็นคนยากจนเป็นพ่อเขามารับเหมาก่อสร้างเขาก็มาสร้างบ้านพักตากอากาศแล้วเขาก็เขาไม่ค่อยคิดจะซื้อที่ดินมันก็เลยไม่มีเขาได้มาก็ใช้ไปได้มาก็ใช้ไปก็เลยะอการรับ แ, แ, แต่บุญทั้งบุญกรรมถ้าคนที่ไม่ชอบใช้งานเืก็ซื้อที่ป่านี้ก็มีเยอะแยะะที่แล้วยิ่งถ้าเข้าไปลึกหน่อยเนี่โอถูกเป็นหมื่นนั่นเอง ติดทะเลนี่แค่แสนก็พออยู่แถวสายสองนี่เป็นไร่มันหมดเลยทําไมนั้นเป็นป่ามันทั้งนั้ น, มนไม่มีใครอยากได้แล้วเมืนมมกัเป็นลูกหลานหมายนั้นขอบลึกเข้าไปหน่อยไม่มีใครเขาอยากได้แล้วให้ฟรีๆเขาก็ไม่เอาใช่เออพอราะว่าจะไปทําอะไรและการที่เราต้องมาอยู่ที่พัทยาเนี่ยเป็นเพราะเรามีบูธหรือเปล่าคะ ก็แล้วแต่ว่ามาทําบุญหรือมาทําบาปถ้ามาทําบุญก็ <S <S 2> <S 2> ก็บุญพามาถ้ามาทําบาปก็บาพามาถ้ามาไปับไปเปิดบาเบียนี่ก็บาพามาอถ้ามาแล้วมาเปิดโรงพยาบาลมาทําคลินิกนี่ก็บุญพามาอาอยู่ที่การการะทําของเราเนี่ยนะถ้าเราทําบุญก็แสดงว่าบุญเก่าพาเรามาถ้าเรามาทําบาปก็บุญบาปเก่าพาเรามา จ, จริงจริงแล้วเป็นคนคจเจียงแซ ทำงานที่ระยองมีอยู่แล้วก็มีผู้ชายทำงานที่ท่าเรือแหลมช้ังวัอมีอยู่วันหนึ่งอ ย, อยู่ก็ขับรถผ่านผ่านบ้านนี้ค่ะตั้งแต่ยังไม่ยังไม่เป็นบ้านเลยก็เลยชวนกระลงไปดูแล้วก็ตัด ใ, ใจซื้อก็เลยต้องย้ายมาทางานที่ขณะนี้มาช่วยราชการะเพื่อมาได้ได้เดินกว่าก็สงสัยดวงแล้วต้องมาอยู่ที่พเทยา ไม่่ะความอยากมันพาเรามาความอยากหาที่ใหม่ที่เก่มับไม่ดีก็อยากจะไปหาที่ใหม่ที่ดีกว่าพอเห็นที่ไหนถูกใจก็เอานั่นล่ะความอยากมันพาเรามาเนี่ยบนมาบนเขานี่ก็ความอยากพามาวันนี้อยากจะมาฟังธรรมก็เลยพาขึ้นมาบนเขาความอยากมันพาเราไปเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราหยุดความอยากเราก็ไม่ต้องไปไหน เราก็อยู่นิพพานอยู่ที่จิตที่สงบ ก, การไม่มีความอยากสบายไม่ต้องดินน้นรนพอมีความอยากแล้วก็ต้องดินน้นรนพอหยุดความอยากกันดีกว่าเนี่ยที่มาถือศิลแปดมานั่งสมาธิก็เพื่อให้มาหยุดความอยากกันหยุดความอยากแล้วก็สบายเนี่ยเรามาอยู่บนเขานี่ปีสามศูนย์เนี่ ย, ยไม่เลยไปไหนเลย ถ้ามอยู่กันได้เนยบนเขาเนี่ยมีอะไรอยู่มาต้องยี่สิบเก้าปีแล้วเนี่ยเพราะมันไม่มีมันสบายมันไม่ต้องมีอะไรถ้ามันมีความอยากแล้วมันไม่ต้องมีอะไรอยู่เฉยๆก็มีความสุขไงมันยากเพราะเราไม่ยอมทำมั้ถ้าเราอยากจะทำทำไมไม่มีอะไรมันหยุดความอยากเราได้หรอ เราเอาความอยากที่ไม่ดีมาผันมาหาความอยากที่ดีสิอยากรักษาศีลอยากปฏิบัติอยากฟังเทศฟังธรรมอยากบวชเนี่ยเป็นความอยากที่ดีอย่าเอาความ flats, อยากเราไปใช้กับความอยากไม่ดีอยากล่ํมอยากรวยอยากได้สิ่งนู้นสิ่งนี้อยากเป็นใหญ่เป็นโตมันจะทำให้ใจเราเครียดทำให้ใจเราร้อนถ้าอยากบวชอยากปฏิบัติอยาก รักษาสีเนี่ยมันจะทําให้ใจเราเย็นสบายมีความสุขแทนหันมาอยากในท่ในอยากในสิ่งที่ทําให้เราเย็นดีกว่าอย่าไปอยากในสิ่งที่ทําให้เราร้อนเนี่ยสิ่งที่ทําให้เราร้อนก็คือลาบยศสรรเสริญลูกเสียงกิน่นรสเนี่ยพออยากเราใจร้อนขึ้นมาอยากจะได้เรื่อนขั้นหรือยังพออยากตอนนี้มันอยู่ไม่เป็นสุขอ่ะแต่ไปอยากเอาแค่นี้พอแล้วหรอ ได้ตำแหน่งนี้ได้ซีนี้พอแล้วอยไปอยากมากกว่านี้ถ้ามันจะมาให้มันมาของมันเองไม่มาก็ช่างหัวมันไม่มาเราก็ไม่ตายตายไปก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีอย่าไปหลงกับมันเราทํางานเพื่อเลี้ยงชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราไม่ได้ทำงานเพื่อยศถาบรรดาศักด์พอมีเงินเดือนมีรายได้พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้พอพอแบบในหลวงสอนเศรษฐกิจพอเพียง พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ไม่ต้องไปทำบาททำกรรมไม่ต้องไปทำผิดกฎหมายก็พอแล้วหาความสุขจากการมาไหว้พระ ส, สวดมนต์นั่งสมาธิกันดีกว่าไม่ต้องเสียเงิน ม, มีคำถามทางบ้านไหมมีค่ะส่งก็ามาได้ คำถามจากคุณสุวัฒนาถ้าเป็นคนที่ชอบวิตกกังวลมากและทุกไปร่วงหน้าควรแก้ไขอย่างไรครับถ้าคิดเป็นร่วงหน้าก็คิดว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันก็จะหายหายกังวลเราชอบลืมอนาคตของเรากันถ้าเรารู้ว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราจะไปกังวลกับอะไรกังวลไปก็หนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายถ้าคิดถึงอดีก็บอกมันผ่านไปแล้วย้อนกลับไปไม่ได้ ไปคิดถึงมันคำถามสัจคุณธรรมดาการกําหนดผู้รู้เพื่อดูจิตมีขั้นตอนอย่างไงมั้งครับ อ, อ๋อแล้วกำหนดผู้รู้ไม่ได้หรอผู้รู้นี่เราเข้าไม่ถึงเราต้องใช้พุโทโธเป็นตัวดึงเข้าหาผู้รู้ให้กําหนดอยู่ที่พุโทโธให้ท่องพุโทโธพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวพุโทโธจะดึงเข้าไปหาผู้รู้เองอันนี้ร่างร่ง จิตของเรามาอยู่ที่ร่างกายไม่ได้อยู่ที่ผู้รู้เราต้องใช้พุโทโธหนึ่งจิตให้กลับเข้าไปหาผู้รู้หนึ่งออกจากร่างกายถ้าเรามีพุโทโธพุโทโธพอเรานั่งเฉยๆมันก็จะเข้าหาผู้รู้ทันทีจิต ก, ก็จะสงบทันทีงั้นอย่าอย่าไปดูผู้รู้ดูไม่เห็นมองไม่เห็นตอนนี้ต้องดูที่พุโทโธให้ท่องพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวพุโทโธจะดึงเราเข้าหาผู้รู้เอง คำถามจากคุณนาโนพระธรรมใดพระสูตรใดเหมาะกับผู้สูงอายุครับก็เหมือนกันนะแกหรือหนุ่มหรือสาวก็พระธรรมที่สําคัญก็สติเนี่ยต้องมีสติทุกคนถ้ามีสติแล้วมันก็มันก็จะทําให้เราเก้าวหน้าเองสตินี้เหมือนเหมือนกุญแจรถยนต์เนี่ยถ้าคุณจะขับรถคุณไม่มีกุญแจรถคุณจะขับได้ไหมต่อให้รถวิเศษขนาดไหนราคาแพงขนาดไหน ไม่มีกุญแจก็สตาร์ทรถไม่ติดเปิดประตูรถไม่ได้ใช่ไหมเอ า, ากุญแจหายทำไงเอาไปต่อตอนเปิดประตูไม่ได้ยังไปต่อไงอใช่อหมอทำทั้งหลายเนี่ยก็ที่จะเกิดขึ้นต้องมีสติยิ่นทุกคนต้องฝึกสติกันต้องพุโทโธกันอ <laughs> ถ้ามีพุโทโธแล้วต่อไปมันจิตก็จะสงบ จิตสงบแล้วมันก็จะรักษาศีลได้ทุกข้อจิตก็จะไม่ต้องไปทำบาป ท, ทำกรรมไม่ต้องไปทำอะไรให้เสียหายกับใครคําถามจากคุณจตุพรจิตมันดื้อ ม, มากค่ะขนาดพุทโธอยู่ต่อเนื่องใจจับอยู่กับพุทโธพุทโธแต่มันเหมือนมีจิตอีกเสี้ยวหนึ่งมันทำให้เกิดภาพในความมืดค่ะก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับพุทโธไป เราท่องพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวทุกอย่างมันหายไปเองถ้าไม่พุโทโธไปดูมันมันก็เลยยิ่งเกิดขึ้นมาใหญ่อย่าไปสนใจอะไรมาโผล่ขึ้นมาเราอยู่กับพุโทโธของเราไปเหมือนเวลาเราทำงานเราก็ทำงานของเราไปใครจะมาพูดมาอะไรเราก็ไม่ไปสนใจ ถ้าทำงานไปเรื่อยๆเดี๋ยวงานของเราก็เสร็จแต่ถ้าเราไม่ไม่ทำงานเราไปยุ่งกับคนที่ก็ามาพูดมาคุยมาอะไรด้วยเดี๋ยวงานของเราก็ไม่มีวันเสร็จการทำใจให้สงบก็ต้องอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวอะไรจะโผล่ขึ้นมาก็อย่าไปสนใจมันให้พุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วเดี๋ยวจิตก็สงบเองคำถามจากคุณจินนี่ เวล า, าจัดบ้านหรือว่าออกกําลังกายชอบที่จะฟังพระเทพพอรู้สึกว่าน่าจะดีกว่าจัดบ้านไปคิดเรื่องอื่นไปอย่างนี้ถือว่าถูกต้องอยู่ไม่คะหรือว่าควรจัดบ้านออกกําลังกายแล้วดูกายเคลื่อนไหวไปจะดีกว่าคะคือการฟังเทศฟังธรรมนี่ถ้าจะให้ประโยชน์สูงสุดก็ควรจะนั่งเฉยๆไม่ควรทําอะไรออย่างที่เรานั่งกันอยงนี้หนละถ้าเราทํานู่นทํานี่เราจะไปฟังได้เลย มันก็ฟังครึ่งหนึ่งทําครึ่งหนึ่งมันก็ฟังไม่รู้เรื่องมันไม่ต่อเนื่องเวลาเรียนหนังสือนี่ครูก็อนุ ญ, ญาตให้เราเปิดอะอะไรฟังได้ไหมก็ให้ตั้งใจฟังอย่างเดียวใช่ไหอการฟังทำก็เป็นการเรียนเป็นการศึกษาเป็นการเข้าห้องเรียนดังนั้นการฟังธรรมนี่ควรจะฟังเฉยๆนั่งเฉยๆไม่พูดไม่คุยกันไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้กันถึงจะเข้าใจ ถ้ า, าไปทำนูน่นทำนี่ไปคุยกันเรือไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ฟังไม่รู้เรื่องมันก็เข้าหูซ้ายออกหูขวาไปนักเรียนที่เรียนไม่ดีก็เพราะฟังไม่เป็นไงฟังแล้วก็ใจก็ไม่ไม่ได้ฟังใจไปคิดถึงเรื่องอื่นพอเวลาสอบก็สอบไม่ได้ก็จําไม่ได้นะแต่ถ้าฟังแล้วเข้าใจมันจะจําได้เองไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องจดต้องจํา นั้นการฟังเทศฟังธรรมท่านถึงบอกว่าต้องฟังด้วยความเคารพเห mm hmm. มือนกับเราฟังอาจารย์สอนที่โรงเรียนเราต้องเคารพครูบาอาจารย์เวลาท่านสอนเราต้องไม่คุยกันเราต้องไม่ทำอะไรเราต้องนั่งเฉยๆตั้งใจฟังเราถึงจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ mm hmm. การฟังธรรมก็อย่างนั้นต้องนั่งเฉยๆไม่พูดไม่จา ก, กันไม่คิดถึงเรื่องต่างๆแล้ว เวลาเสียงธรรมก็ามาสัมผัสกับหูก็จะเข้าไปในใจทันทีคาถามจากคุณปัญหาเป็นพระใช้โทรศัพท์ผิดหรือไม่ครับถ้าใช้ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ก็ไม่ผิดถ้าใช้ไปคุยกับแฟนสีกามันก็ผิดแล้วแต่มันจะไปใช้แบบไหนเพราะว่าของมันก็เป็นเหมือนกับมีดนะโทรศัพท์ก็เหมือนกับมีด เอาไปทําประโยชน์ก็ได้ไปหั่นผักหั่นเนื้อทํากับข้องกับข้าวก็ได้หรือเอาไปทิมแทงคนนั้นคนนี้ก็ได้เย <Yeah. S 1> มันเป็นเครื่องมือมันอยู่อยู่ที่ว่าจะใช้ไปในทางไหนใช้ไปในทางที่ประโยชน์ก็เป็นประโยชน์เนี <Yeah. S 1> ่ยแม่เนี่ก็ใช้โทรศัพท์เนี่ยสองเครื่องมาถ่ายทอดสดเนี่ยเผยแผร่ธรรมะไปทั่วโลกอย่างนี้ยอย่างนี้ก็เป็นประโยชน์น yeah. แต่ถ้าไปคุยกับสีกาอนี่มันก็ไม่เป็นประโยชน์นมันเป็นกรรมามคําถามจากพระรูปหนึ่งปากถามนะคะร่างกายไม่เคยได้พักผ่อนแม้แต่นอนเลยทํางานตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนกลางคืนเดินนั่งสมาธิ ก, กลางวันทํางานที่วัดตลอดบางวันลืมดินธบาดไม่รู้ข้ามว่าแจ้งหรือสว่าง แสงสว่างหรือค่ำและทําไมถึงรู้สึกว่าตนเองมีเจ็ดร่างเปลี่ยนกันเข้าร่างทํางานโดยมีสติจับดูจิตของแต่ละร่างสรุปได้ว่ามีร่างของสุริยะเทพจะพาไปเที่ยวเลยทั่วได้ฟังธรรมะร่างของสุริยะค้าคอยคุ้มกันร่างของวานนเทพคอยตอบคําถา ม, มร่างเก่าพี่พี่ปู่ตั้งให้เสือบุรพาเข้าดุกดันมาก ทำงานหนักๆได้เทปศักในการแสดงธรรมลงเฟซนี่พี่คิดว่าเขาคือผู้แสดงธรรมสิงทองผู้มีศักดิ์สิทธิ์ในการเทศใช้เสียงนุ่มนวลดุเดนเทศอักษรคอยดูแลร่างกายอย่างดีเขาถามว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้นเออมนถามทํมาไมามันอยู่ในตัวคุณก็ถามมันสินมันเป็นอย่างนั้นจะทำกันไหมเยอะแยะอ่ามันฟุ้งซ่านไงมันถึงเป็นอย่างนี้มันไม่สงบ ถ้ามันสงบ ม, มันก็ไม่มีของพวกนี้มันออกจากความฟุ้งซ่านของจิตเราเองอ่างันพุโทโธพุโทโธไปสิทำใจให้สงบแล้วของพวกนี้มันก็หายไปเองอ่ละพอไม่สงบ ม, มันก็ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกับคนแต่งนิยายใช่ไคนเขียนนิยายคนเดียวนี้เขียนได้เป็นร้อยตอนร้อยเรื่องเลยใช่ไหมก็มาจากความคิดของมันแ่ะคิดไปก็เขียนไปคิดไปก็เขียนไปเป็นเรื่องเป็นราวต่อกันไปเรื่อยๆ ไอ้นี่ก็แบบเดียวกันนะกำลังเขียนนิยายในใจอยู่นะพาใจไหมถ้าพุโทโธพุโทโธปั๊บเดี๋ยวมันก็หายไปหมดนะพุโทโธเหมือนยางลบลบมันไปให้หมดเลยนะไม่พุโทโธเลยมาบวชมานั่งผูบวชแล้วไม่รู้จักคำว่าพุโทโธเลยออออให้งยางาบไ โรงพยาาลก็จะให้เข้าไปโรงพยาบาลบ้านนี่ยแหละเพราะมันไม่มีสติแล้วก็ยังไม่ควบคุมจิตใจไม่ได้แล้วต้องเรียบดึงสติกลับมาใช่ค่ะถามนานหนูบกว่าหนูจะลองถามอ่ไม่งั้นเดี๋ยวเป็นบ้าได้ควรถามให้ดีไหมเพราะว่าถามมานานแล้วว่าถามไม่ดีก็รีบดึงสติกลับมารีบสร้างสติพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดอะไรมันจะคิดก็อย่าไปเชื่อมันมันหลอกเรา ถ้าอยขออนุญาตถามต่อเนื่องได้ไหมคะได้ถ้ากรณีที่คนที่ชอบชอบฝันชอบละเมออเงี้ยเนื่องจากจิตเขาไม่สงบใช่แล้วนะครับคำถามจากคุณสายหมอกการกําหนดพุทโธกําหนดที่ไหนครับก็กําหนดที่พุทโธดีไหมกาหนดที่ไหนล่ะกับพุทโธไปอยู่กับพุทโธไป ท่องพุโทโธ ไ, ไม่ต้องไปอยู่ที่ลมไม่ต้องไปอยู่ที่หน้าอกอยู่ที่ไหนอยู่ที่คําว่าพุโทโธเนี่แหละมันเป็นความคิดคําพุโทโธนี่เป็นความคิดก็คิดอยู่กับความคิดนั้นก็อยู่ความคิดนั้นไปเวลาเราคิดถึงกินขนมแล้วใจเราอยู่ที่ไหนอ่ะก็คิดอยู่ในใจนั้นใช่ไหมคาถามจากคุณปลายฟ้าวันนี้น้องในทีมได้ฝึกใจอย่างที่ท่านเมตตาสอนวันก่อน เรื่องการไม่โต้ตอบแต่เขาก็ยังอดโกรธไม่ได้เพียงแต่ไม่ได้โต้ตอบแต่แต่อยากขอท่านอาจารย์เมตตาแนะนําให้ละทิ้งความโกรธนี้ด้วยเจ้าค่ะก็ไม่ใช้พุทโธไงตอนต้นต้องใช้พุทโธก่อนหยุดมันก่อนอย่าไปคิดถึงมันไปคิดถึงเรื่องอื่นคิดอยู่กับพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวมันก็ลืมเรื่องที่ทําให้เราโกรธตอนนี้เราโกรธไหมตอนนี้นั่งอยู่ตรงนี้เราโกรธป่ะเพราะเราไม่ได้คิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธใช่ไหม เราองไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธ ด, ดูมันก็โกรธได้ตอนเนี้มันอยู่ที่ความคิดของเราเรื่องเหตุการณ์ต่างๆมันผ่านไปนานแล้วแต่เรายังสามารถเอามาฉายใหม่ได้เหมือนหนังเนี่ยเหมือนกันเราไปถ่ายถ่ายทอดสดมาแล้วามาเก็บไว้ในใจเราพอวันดีคืนดีเราก็ดึงมันขึ้นมาดูเนี่ยถ้าไปนึกถึงคนที่เขาดา่าเราเมื่อเช้านี้ตอนนี้ยังโกรธได้ใช่ไหมยังเสียใจได้ใช่ไหม งั้นมันอยู่ที่ความคิดของเราเราต้องหยุดความคิดแล้วปัญหาต่างๆมันก็จะหายไปเองคํถาถามจากคุณพลพิทักษ์การให้อภัยทานกับการให้ธรรมทานแตกต่างกันอย่างไรอันนี้สงแตกต่างกันอย่างไรครับการให้อภัยก็คือการไม่จองเวรกันมือนการรังงับเวรกันเวรย่อมรั ง, งับด้วยการไม่จองเวรเวรไม่รังงับด้วยการจองเวร ถ้าตาต่อตามเดี๋ยวมันก็ฟันต่อฟันเดี๋ยวก็แขนต่อแขนแต่ถ้าเราไม่ตอบโต้เราให้อภัยเขาก็มันก็จบเฉการให้อภัยก็จะทําให้เกิดสันติสุขขึ้นมาสงครามก็จะไม่เกิดสงครามเกิดเพราะการไม่ให้อภัยกันจองเวรจองกรรมกันอันนี้อันนี้สงจากการนะให้อภัยคือทําให้ใจเราสงบเราไม่มีเรื่องมีราวกับดขัน ส่วนธรรมทานก็เป็นการให้ธรรมะเนี่ยให้แสงสว่างอย่างตอนนี้กําลังให้ธรรมทานอยู่เนี่ยเยคนฟังแล้วก็เกิดความเข้า อ, อกเข้าใจในเรื่องการแก้ปัญหาต่างๆของใจ <Yes. S 1> ก็เป็นเหมือนให้ยารักษาโรคใจธรรมะนี่เรียกว่าธรรมะโอสถเป็นยารักษาโรคใจเนี่ย <Yes. S 1> ถ้าตอนนี้ใจเครียดเอาพุโทโธไปเดี๋ยวเดียวก็หายเครียดนตอนต้นเอาพุโทโธก่อน พุโทโธนี้เป็นเหมือนกับเวลาเลือดออกเนี่ยต้องหยุดเลือดก่อนหยุดเลือดแล้วค่อยไปหาต้นเหตุว่าทําไมทําให้เลือดเลือดออกอันนั้นเป็นปัญญาขั้นหนึ่งแต่ขั้นแรกนี้เอาเอาสติให้ได้ก่อนถ้ายังไม่ได้สติยังใช้ปัญญาไม่ไม่ได้ใช้ไม่เป็นในเบื้องต้นนี้หยุดความคิดให้ได้ก่อนหยุดความโกรธความเกลียดความเครียดต่างๆที่เกิดจากความคิดให้ได้ก่อน พอเราหยุดได้แล้วขั้นที่สองเราก็ไปค้นหาสาเหตุว่าอะไรทําให้เราโกรธอะไรทําให้เราเครียดแล้วเราก็จะไปเจอว่ามันเกิดจากความอยากของเราเองเวลาเราอยากได้อะไรแล้วพอเราไม่ได้เราดังใจเราก็โกรธใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่อยากได้เราจะโกรธนะก็อย่าไปอยากหรือถ้าไม่อยากจะโกรธก็มีแค่นั้นแหละ น, นั้นตัญญาเนขั้นที่สองในขั้นแรกนี่หยุด ความคิดให้ได้ก่อนคำ ถ, ถามจากคุณขวัญตาการปฏิบัติเดินจงกรมเห็นกายมันเดินและเห็นมันบริกรรมพุโทโธในขณะเดียวกันมันไปรู้ตัวที่มันเห็นอย่างนี้ตัวที่มันเห็นคืออะไรคะออไม่ถูกก็เลยอย่าไปเห็นอะไรนะั้นให้เห็นอยู่ที่ร่างกายอย่างเดียวกําลังเดินก็ให้รู้ว่ามันกําลังเดินอยู่อย่างเดียวอย่าไปอย่าไปเห็นอย่างอื่นมันไปปรงแต่งละ ให้อยู่กับพุโทโธให้อยู่กับเท้าที่เราเดินไปแล้วอยู่กับพุโทโธไปไม่ต้องการให้มันไปเห็นอะไร<ม>เห็นแล้วก็เกิดคำถามขึ้นมาแล้วเห็นแล้วมันไม่เกิดประโยชน์เราต้องการให้มันไม่เห็นอะไรเราต้องการให้มันว่างให้มันสงบแล้วมันจะมีความสุขข้อที่สองการไปเห็นความว่างคือการส่งจิตออกนอกใช่ไหมคะไม่ใช่การ จิตมันจะว่างก็แต่เมื่อมันสงบมันไม่คิดอะไรต้องทำให้จิตสงบแล้วมันก็จะว่างเองอยู่ดีๆจะไปเห็นความว่างไม่ได้ความว่างมันไม่สามารถจะปรากฏขึ้นมาได้ถ้ามีความคิดปรุงแต่งบังไว้พอมันหยุดความคิดปรุงแต่งมันก็ว่างฉะนั้น อ, อยากจะให้ศาลานี้ว่างทำไงก็ต้องเอาคนออกไปหมดใช่ไหมถ้ายังมีคนอยู่นอนศาลานี้ศา ร, าารามันจะว่างได้ปะ ใจเราก็เหมือนศาลาความคิดของเราก็เหมือนคนที่นั่งอยู่ในศาลานี่ถ้าเราต้องการให้ใจเราว่างเราก็นำความคิดออกไปหยุดความคิดพอหยุดความคิดใจมันก็ว่างขึ้นมาเองคำ ถ, ถามจากคุณนาโ น, โนป้าโสดาบันเป็นค้ารุษ์ดอยู่ครองเดือนท่านมองการมาลาค้าอย่างไรครับท่านก็ยังมีการอยู่เลยเห็นหนุ่มหน้าตาหลอ่อแล้วเห็นสาวที่สวยก็ยังอยากจะได้มาเป็นแฟนเลย เพราะก็ยังไม่เห็นอสุภะยังไม่เห็นตับไตไส้พุิของคนคนสวยคนหลอ่อเห็นแต่รูปร่างหน้าตาไม่ได้มองเข้าไปข้างใต้ผิวหนังถ้ามองเข้าไปใต้ผิวหนังเห็นปอดเห็นไตเห็นตับเห็นหัวใจเห็นนำไส้มันก็หายหา ย, หายหลอ่อหายสวยลนะอ้าหายยากนะคำถามจากคุณแจ็คนั่งสมาธิแล้วมีเสียงจากภายนอกแม้จะเป็นเสียงเบาๆ ก็ตกใจจะแก้ไขอย่างไรครับก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับพุโทโธไปตกใจแล้วก็พุโทโธต่อไปมันเป็นธรรมชาติของใจเราที่ชอบไปมีปฏิกิริยากับสิ่งต่างๆแต่ถ้าเราอยู่กับพุโทโธไปมันก็ผ่านไปแล้วเหมือนเราวรถวิ่งไปเจอหลุมพอมันผ่านหลุมไปแล้วมันก็ผ่านไปแล้วไม่ต้องไปสนใจคำถามจากคุณสุภาพรณ์ถ้าบวชชีรักษาศีลแปดศีลห้า ทำงานในวัดปลูกผักสวนครัวปลูกอ้อยปลูกมันเกี่ยวข้าวช่วยงานก่อสร้างได้หรือเปล่าเจ้าครับก็แล้วแต่วัดส่วนใหญ่ก็ไม่มีงานเหล่านี้ทำเขาต้องการให้นั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมกันงานเหล่านี้ถ้าจำเป็นจริงๆไม่มีข้าวกินต้องปลูกเองนี้นก็ปลูกได้ไม่มีผักก็ต้องปลูกเี้แต่ถ้ามีผักมีข้าวกินก็ไม่ต้องไปทานัน งานหลักของการบวชการถือศีลก็เพื่อมาปฏิบัติธรรมมานั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อจะได้ทำใจให้สงบให้มีความสุขคําำถามจากคุณหญิงพี่ที่ทำงานจะบวชพระเร็วๆนี้เราสามารถอนุโมทนาบุญและฝากซองให้พี่เขาเลยจะได้บุญเท่ากับ เมื่อพี่เขาบวชเป็นพระแล้วถึงนําไปถวายไหมคะ อ, อ๋อได้เท่ากันเน่ยถวายเมื่อไหรถวายที่อื่นก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องงานบวชก็ได้ออยากจะให้เงินใครให้ไปเลยก็ได้บุญทันทีเนี่ยไม่ต้องให้กับพระก็ได้เอให้กับคนที่เราไม่รู้จักเห็นขอทานก็ให้มันไปเลยก็ได้เอีมันก็ได้บุญเหมือนกันคํถาถามจากคุณเนตตี้ ทำสมาธิโดยใช้วิธีจับภาพพระพุทธรูปได้ไหมคะรู้สึกชอบได้จะต้องอยู่กับภาพอย่างเดียวอย่าไปคิดอะไรให้ให้เพ่งภาพแล้วก็นึกให้เห็นภาพนั้นโดยวิธีหลับตานะเพ่งด้วยการลืมตาไม่ได้ต้องต้องหลับตาตองให้ภาพมันปรากฏขึ้นมาข้างในอตอนต้นถ้ายังไม่ปรากฏกด็ดูภาพข้างนอกก่อนได้ดูเพื่อให้จดจําว่าเป็นยังไงแล้วก็หลับตาแล้วก็นึกถึงภาพนั้น ถ้ามันโผล่ขึ้นมาในใจเราแล้วก็เกาะติดอยู่กับภาพนั้นไปจิตก็จะสงบได้แต่ต้องใช้สติมากคนที่จะเพ่งภาพนี้ต้องมีกำลังมากถ้าไม่มีกำลังมันไม่มันเพ่งไม่ได้ก็ต้องใช้พุโทโธจะง่ายกว่าพุโทโธแล้วก็ท่องพุโทโธพุโทโธไปคาถามกับคุณวารินการนัางสมาธิแล้วเกิดเวทนาจนพุโทโธไม่ไหวแล้วจะทำอย่างไรเพื่อรับ n u พุโทโธต่อไปไม่ไหวก็ต้องพุโทโธต่อไปแล้วถ้าไม่ไม่พุโทโธมันก็ไม่ผ่านถ้าพุโทโธได้ต่อไปเดี๋ยวใจก็จะสงบแล้วก็จะไม่ไม่ไม่รู้สึกรบกวนไม่ไม่รู้สึกกลไม่รู้สึกเดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกายถ้าอยากจะผ่านก็ต้องพุโทโธไปให้ได้ให้มันขาดใจไปกับพุโทโธเลยทําถามจากคุณสีริเทน หากเรารู้ว่าเบื่อไม่ชอบชีวิตคู่แต่มีลูกชายหนึ่งคนแล้วควรจะต้องพิจารณาไปทางใดคะก็ยกให้แฟนเข้าไป เ, <c oughs> เ่ยหรือมันก็ไปให้กับสถานเด็กเลี้ยงเด็กกำพร้าก็ได้แล้ ว, เ, ลว เ, เด็กเหรอคะโคตรของเด็กจิตใจของเด็กน ะ, ะเด็กกำพร้าเขาอยู่กันได้ไม่ใช่หรืเราจะเป็นบาหรือเปล่าบาปตรงไหนเราไม่ได<ร>้ไปฆ่าเขไม่ได้ไป ทำอะไรเขาไปบาปทั้งไหนเราไม่มีปัญญาเลี้ยงเขาเราก็ใช่คนอื่นช่วยเลี้ยงให้นี้ไม่ดีคนอื่นเขาเลี้ยงดีกว่าเราเลี้ยงซิเด็กเด็กอยู่สถานกับเด็กกำพร้าจะมีวินยวัยมีระเบียบถ้าเราเลี้ยงเราอาจจะปล่อยประลาดเลยไม่มีเวลามามาดูมันวัวแต่ไปทํางานทําการปล่อยให้เด็กออยู่ตามมีตามกรรมเดี๋ยวก็ไปติดยาเสพติดขึ้นมาก็ได้ อยู่สถานเด็กกำพร้าเขามีวินัยเขามีระเบียบเด็กก็รู้จักมีก ฎ, ม, กฎมีระเบียบอะไรดังนั้นเด็กกำพร้ามันไม่มันไม่เลวร้ายนะมันดีจะตายไปบางทีดีกว่าที่เราเลี้ยงของเราเองเสิยอกคำถามจากคุณนาโนไตรักษ์มีความสัาคัญสอดคล้องกับปฏิจจสมุทภาะบายังไงครับ อ๋อตายรักนี่มันเป็นปัญญาไว้สําหรับตัดความอยากไงความอยากนี่มันเป็นที่เป็นตัวที่อยู่ในปฏิจจส ม, มุปบาทที่ทําให้เราไปเกิดกันไปเกิดแก่เจ็บตายกั น, กกนถ้าเราเห็นตายรักเราก็จะไม่ไปอยากพอเราไม่อยากเราก็ไม่ไปเกิดคำถามจากช่างฝักทําบุญด้วยเงินกับพระไม่ผิดหรอครับก็ไม่ผิดหรอกถ้าไม่ได้ให้กับพระโดยตรงฝากไว้กับคนอื่น ให้ลูกศิษย์จิบไม่ให้เวลาพระต้องการใช้ข้าวของใช้ใช้อะไรก็ให้ลูกศิษย์ไปซื้อมาให้แต่ถ้าให้ะให้พระกับมือนี่ผิดเนี่ยพระรับกับมือไม่ได้แล้วคําถามอย่างเนี้ยถือว่าคนถามมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อพะระนะคอเปก็เรื่องของเขา <c oughs> อ่าเอ็นไม่ใช่เรื่องของเราเรามีหน้าที่ตอบก็ตอบไปเพราะยังมีทัศนคติไงก็เรื่องของเขา <c oughs> เรามีหน้าที่ให้ความกระจ่างก็ เขาบางทีเ ข, เขาไม่เข้าใจก็เลยทำให้เขามีทัศนคติไม่ดีพอเราให้เา้าความกระจ่างเขาทัศนคติไม่ดีก็เปลี่ยนไปได้เรามีหน้าที่ให้ข้อมูลก็ให้ไปตามความเป็นจริงคาถามจากคุณการผู้มียานสมาธิขั้นสูงสามารถอย่างรู้อนาคตได้จริงหรือไม่ครับไม่ต้องมียานก็อย่างได้ทุกคนนี้เกิดมาตายด้วยกันทุกคนเนี mm ่ย hmm. ใช่ไ ตายแล้วบปล่าคนอ่ะว่าจะไม่ตายไม่จริงหรือเปล่าอ่าต้องตายอ่าต้องตายแต่ไม่ต้องมีอย่างอนาคตนี่ชัดเจนอยู่แล้วไม่ต้องไปอย่างให้มันเสียเวลาอให้คิดบ่อยๆมันชอบลืมกันเนี่ยไอ้อนาคตของจริงกับไม่ชอบรู้กันจะไปรู้อนาคตของปองกันว่าจะรวยเมื่อไหร่จะได้เป็นอาทิตย์บดีเมื่อไหร่จะได้แฟนเมื่อไหร่จะวันนี้จะถูกหวยหรือเปล่า อนาคตแบบนี้อย่าไปรู้มันเลยไม่เกิดประโยชน์อะไรกับจิตใจถ้ารู้ความตายเนี่ยมันทําให้เกิดประโยชน์เพราะจะทําให้เราเตรียมตัวตายกันพอเราเตรียมตัวแล้วเราจะไม่ทุกข์กับความตายเราจะอยู่อย่างสบายไม่กลัวผ่านตายที่เรากลัวกันเพราะว่าเราไม่เราลืมมันเราไม่ยอมคิดถึงมันพอเราคิดถึงมันเราก็กลัวขึ้นมาทันทีเพราะเราไม่อยากตายกันแต่ถ้าเราคิดบ่อยๆเราก็จะรู้ว่าต้องตาย มันต้องตายแล้วก็มันก็จะความอยากไม่ตายมันก็หายไปเมื่อไม่มีความอยากไม่ตายมันก็ไม่กลัวตายดังั้นคิดบ่อยๆญาตใจก็รู้ว่าอนาคตน่ะคิดถึงความตายบ่อยๆทุกตรงไหนล่ะทุกเขไม่อยากตายใช่ไหมแต่ถ้าคิดบ่อยๆแล้วมันต้องตายจะไปจะไปอยากไม่ตายได้ยังไงอ่าพอมันหยุดความอยากไม่ตายได้มันก็หายทุกยังต้องคิดบ่อยๆแล้วมันจะหายทุกคิดใหม่ๆมันอาจจะทุกเพราะว่าเราไม่ชอบ แต่ถ้าคิดบ่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะทําใจได้คํถาถามจากคุณอรวรันการกําหนดพุทโธใจเร็วหรือจะช้าก็ได้ใช่ไหมคะเพราะถ้ากําหนดช้าจะคอยคิดไปเรื่องอื่นเป็นพักพักขับได้แล้วช้าเร็วอยู่ที่ว่าใจเราวุ่นวายมากวุ่นวายน้อยคํถาถามจากคุณโมรา่า แม่สวดมนต์ไหว้พระทุกวันแต่โกรธเกลียดคนข้างบ้านจะบอกแม่ให้ตรงยังไงดีก็คะ่ะพิมพ์ไม่มีทางเลยก็บอนแม่ว่าคนคนเราก็มีดีมีชั่วปนกันไปเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นการไปโกรธเขาก็เหมือนกับเป็นการเอาค้อนมาทุบศรีรษะเราเวลาโกรธแล้วใจเราร้อนไหย ใจเราเจ็บนะงั้นอย่าไปโกรธเฉยๆดีกว่าให้คิดว่าดีชั่วเป็นเรื่องของเขาเขาทำอะไรไว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องรับผลของเขาลดรับกรรมของเขาไปเองเราก็จะได้เฉยๆได้คำถามจากคุณนาโนการให้ทานจากพระเพื่อลกักเลสความตหนีบางจิตยอย่างไรครับ ก็คิดว่ามันไม่ใช่ของเราเงินทองที่เรามีอยู่นี่มันไม่ใช่ของเราเราเอาตายไปเอาไปได้ป่ะนั่นเมื่อไม่ใช่ของเราก็ใช้มันให้แหลกไปเลยใช่ไหมถ้าเป็นเงินของคนอื่นเข้าให้เรามาเราเก็บไว้ไหมก็ว่าเอาไปใช้นะไม่ให้เก็บไว้คุณจะทําไงเพราะไม่ใช่ของคุณไม่ให้คุณเก็บไว้ตายไปคุณก็เอาไปไม่ได้ก็ใช้มันให้เกิดประโยชน์ไม่ดีกว่าเอาไปทําบุญให้มันหมดเลย ถ้าไปเที่ยวมันก็เหมือนกับไปซื้อยาเสพติดมันก็ไม่ดีแล้วไปทําบุญนี่เหมือนไปซื้ออาหารพอเวลาทําบุญแล้วทําให้ใจเราอิ่มทําให้ใจเรามีความสุขถ้าไปเที่ยวแล้วมันทําให้ใจเราหิวอยากเที่ยวอกีกต้องถามจากคุณปอมก่อนนอนสวดมนต์แค่อาหาังสัมมาได้หรือเปล่าคะจะสวยก็ได้ไม่สวยก็ได้ไ ม, ไ, ดไม่มีใครเขาว่างเลยอยากจะสวดก็สวดไม่อยากจะสวดก็ไม่ต้องสวด ถ้าจะสวดเพื่อขอเป็นพิธีขอไปทีก็อย่าไปสวดมันดีกว่า mm hmm. เขาสวด น, นี่เพื่อให้มันสงบให้ใจสบายมีความสุขถ้าสวดเพื่อขอขอเป็นพิธีขอไปทีก็อย่าไปสวดมันมันไม่เกิดประโยชน์อะไรหมดแล้ ว, mm hmm. วดีมีใครอยายกจะถามมั <laughs> <Okay. S 2> ม้ยโอ้ไคือว่าโดยบรบปัจจุบันเนี่ยนะฮะ ถ้าเวลาพระออกปฏิบัติเนี่ยถ้าเราใส่อาหารเนี่ยพระจะให้พรเราอ่าอันเนี้ยตามประเพณีแล้วมีไมรัไม่มีหรอกสมัยสมัยครูบาอาจารย์ท่านนำปฏิบัติเพราะไม่มีเวลาจะมาให้พรเนะี่ยเพราะว่าเดินไปพระไปในหมู่บ้านเนี่ยคนใส่เยอะแยะพรไม่จําเป็นจะต้องให้หรอกพรพระให้ไม่ได้หรอกพระไม่มีพรพรมันเกิดจากการใส่บาตรของเรานั่นแหละเป็นพรอยู่แล้ว ถ้าไม่ใส่บาตรต่อให้พระมาให้พรกี่กี่ร้อยครั้งมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเ mm hmm. พราะพรมันเกิดจากการที่เราทําความดีกัน mm hmm. พอเราทําความดีความสุขความเจริญก็จะตามมาไม่ต้องให้มาพระอายุวันโนสุขขังภาลางังหรอกมั mm ้ยังมันเป็นคําพูดแท่นั้นเองเห็น mm hmm. สมัยนี้มั น, ม, นมันเพียเ้ยนไปหมดละพระก็ไม่รู้เรื่องมาบวชไม่กี่วันก็ให้พรกันละ mm hmm. ผมเคยเคยเคยใส่ ว่าไม่ต้องให้ปล่อยเขาเขาบอกว่าเอ้มันเป็นทำไมมันเป็นอย่างนั้นเขาเกิดเลยกลับไปถามท่านอาจารย์ที่วัดอืลุันลึ่นเขาบอกผมก็ตายแล้วนั่นแหละสต่มาที่บวชเราไม่ได้เรียนกันไงพอบวชป้บเขาก็ปล่อยให้อยู่ตามก็เลย พอญาติโยงขอพรก็ต้องให้พรก็เลยคิดว่าต้องให้พรกันไปญาติโยงก็ไม่รู้บางคนสายบาตแล้วถ้าไม่ได้พรถ้าไม่ให้พรเนี่ยไม่ได้พรก็ไม่ยอมยอมันก็เลยมันก็เลยก็เรียกว่าโง่กับโง่เจอกันเนี่อือดีต่อไปต้องเอาเนื้อเอาน้ํามนตไปให้ด้วยอนะ การการทำบุญนี่ไม่ไม่ต้องให้พรเนี่ยญาติโยมมาทำอันนี้เมื่อกี้ไม่ต้องให้พรก็ได้เพียงแต่มันเป็นธรรมเนียมแล้วติดกันมาก็เลยต้องให้พอไม่ให้แล้วเหมือนกับว่ามันขาดอะไรไปแต่ควจริงพรเราได้แล้วล่ะจากการกระทำของเราเนี่ยล่ะตอนผมบวดนะฮะตอนผวดผมก็ไม่ได้ให้พรเนี่ยแต่คือเราก็คิดในใจนะฮะให้แล้วเองแต่ชาวบ้านเขาก็บอกว่าทำไมไม่ให้พรอ่านั่นแหละพรมัน คนหนึ่งมันริทำขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นธรรมเนียมขึ้นมาเลยเลยต้องทำกันถ้าไม่ทำก็ผิดแต่ถ้าคนรู้ก็ปฏิเสธก็ได้เราเคยบวชมาแล้วเรารู้ว่าไม่ต้องให้พรหรอกอย่างเราวิญนาบาตวันนี้คนใส่บาตรเกือบสองร้อยคนนี้ถ้าให้พรสองร้อยคนนี้เมื่อไหร่มันจะกลับถึงวัดเพนไม่รู้จะถึงวัดหรือเปล่ามอะไ ไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องให้หล้วเพราะพรมันคือผลที่เกิดจากการทําความดีของเราเนี่ยความสุขความเจริญอยการฟังเทศฟังธรรม ม, มันมีประโยชน์นี่มันจะได้รู้ว่าทําอะไรถูกทําอะไรไม่ถูกกันบ า, บ, าบางครั้งนะฮะอันนี้ผมเห็นนะฮะบางบางครั้งเนี่ยผมจะใส่ข้าวในบาทเนี่ยไม่มีข้าวเลยมีแต่ตังเป็นบาทเออเนี่ยได้ยเี้เก็สมัยนี้เข า, าหาเงินเงินเนี่ย ก็แล้วแต่แล้วบางทีญาติโยมก็สะดวกเพราะว่าไม่มีเวลาที่จะไปทํากับข้าหวหรือไปซื้อกับข้าวเห็นพระตรงไหนก็ฝากกระเป๋าใส่ไปเลยตามหลักวินยัยเงินในนั้นต้องสละไปหมดเลยเก็บไว้ไม่ได้เป็นของตัวเองไม่ได้ถ้าอยากจะเป็นของตัวเองเงินนี้พระแม่พระพุทธเจ้าไม่ให้พระถือเป็นของตนเองเลยถ้าให้มาแล้วฝากกับญาติโยมไว้ก็เป็นเป็นเหมือนกับเป็นของญาติโยมฝากไว้ให้กับลูกศิษย์ เวลาจะต้องการใช้เงินก็ไปบอกลูกศิษย์ว่าช่วยซื้อข้าวของใหหน่อยถ้าเกิดลูกศิษย์บอกผมไปใช้หมดแล้วก็ช่วยไม่ได้เพราะไม่ใช่เป็นเงินของพระเป็นเงินของโยมฝากไว้ก็มีทางเดียวก็ต้องบอกโยมว่าเขาหน้าอย่าไปฝากลูกศิษย์คนนี้ไว้ก็แล้วกันเพราะมันเอาไปกินหมดเอาไปใช้หมดพรเพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้พระถือกครอบครองกรรมสิทธิ์เป็นของขอ ง, ของตนเองเงินทังที่ได้มาทุกบาทนี่ไม่้ถือว่าเป็นของตนเอง เป็นของญาติโยมฝากไว้ให้ใช้เวลาที่เกิดความจำเป็นขึ้นมาเรือเอาไปทำประโยชน์เอาไปทาบุญไปทาอะไรต่อได้แต่ไม่ให้เป็นถือว่าเป็นของตนถ้าหายไปก็ถือว่าเป็นเงินของโยมหายไปไม่ใช่เงินของพระหายไปจะได้ไม่เสียใจจะไม่ต้องมาคอยกังวลมาคอยห่วงว่าไอ้เงินของเราอยู่หรืออยู่หรือเปล่ปาไม่อยู่หรือเปล่ปาให้คิดว่าเป็นเงินของญาติโยมฝากไว้ฝากอัลูกศิษย์ไว้ เ้าก็หาลูกศิษย์ที่พอจะไว้ใจได้ลูกศิษย์ที่ไว้ใจที่ดีที่สุดก็คือธนาคารเนี่ย <c oughs> คนอย่ันนี้มันไว้ใจไม่ค่อยได้หรอกก็เลยต้องเอาไปไว้ในธนาคารเนี่ยธนาคารนี่ก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ได้เหมือนกันเป็นที่เก็บเงินให้เวลาต้องการก็ไปเขียนเบิกใบเบิกได้เขาก็เอามาให้ได้แต่ไม่ให้ครอบครองเพราะมันเป็นอันตรายเพราะพระต้องอยู่ที่เปียวในป่าเงนี้ย ถ้าเกิดมีเงินแสนอยู่ในบาท น, นี่เดี๋ยวก็พวกติดยาเสพติดมันก็มาปนมาเจี๋ยวนั้นได้ข่าวนี่มีภาพทวดมดองลูกไปทุดดวงอยู่แถวพัทยาเนี่ย เ, เดี๋ยวตอนกลางคืนก็พวกติดยาเสพติดมันก็มามามาปนมาเจี๋กันแต่ถ้ามันร่วมภาพไม่มีเงินมันก็ไม่มาเอาแล้วนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลา